จเจริญพรยอดโยมทั้งหลายเป็นเรื่องดีนะทุกคนสนใจธรรมะคนที่ไปหาหลวงพ่อไม่มีคุยเรื่องอื่นเลยคุยแต่เรื่องธรรมะเรื่องส่วนตัวอะไรก็ไม่ได้คุยกันคนที่ไปที่วัดปกติเวลาหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์แต่ก่อนก็ไม่คุยเรื่องอื่นนะไม่เคย ไปบอกท่านด้วยซ้าไปว่าชื่ออะไรชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนรู้สึกเวลาของเราจํากัดชีวิตเราจะเหลือแค่ไหนเราไม่รู้ในเวลาหลวงพ่อไปกราบครูบาอาจารย์จะถามแต่ธรรมะล้วนๆเลยถามธรรมะจบแล้วเข้าใจแล้วถ้าท่านไม่ไล่นะก็หลาท่านแต่อย่างหลวงปู่ดูลเนี่ยท่านพอถามเสร็จสอบเสร็จแล้ว ท่านจะถามว่าเข้าใจไหมเขาบอกเข้าใจแล้วท่านบอกไปไปปฏิบัติเนาะคล้ายๆสมัยพุทธกาลเราไปเรียนรัไปเรียนจับพระพุทธเจ้าพอเรียนรู้เรื่องแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ไล่เหมือนกันโน่นโกลไม้นั่นเรือนว่างัน่นภูเขานี่ท้ำให้ไปปฏิบัติเนาะฉะนั้นปกติหลวก็่อจะหวงเวลามากนะรู้สึกชีวิตเราแต่ละคนมีจํากัด การศึกษาธรรมะใช้เวลาต้องใช้เวลาศึกษากันทั้งชีวิตชีวิตเดียวปกติไม่พอด้วยศึกษาแล้วศึกษาอีกทำแล้วซ้ำอีกทำไมต้องศึกษากันนานเพรใจเราเป็นดือ้อใจของเราแต่ละคนมันเคยชินที่จะตามใจกิเลสคนส่วนใหญ่ก็จะตามใจกิเลสไปเรื่อยๆคิดว่าถ้าเราได้สนองความอยากสนองความต้องการแล้วมันมีความสุข ใจก็จะวิ่งหาแต่ความสุขสนองกิเลสส่วนคนปฏิบัติธรรมนะเข้าวัาปฏิบัติธรรมส่วนมากก็ยังสนองกิเลสแบบไม่รู้ตัวนะเช่นอยากจะหลุดพ้นอยากได้มรรคผลนิพพานอยากให้จิตดีอยากให้จิตสงบอยากให้จิตเป็นกูสนล้วนๆเบื้องต้นมันมีความอยากต้อนอยู่แต่เบื้องต้นจะอยากไปก่อนไม่เป็นไรนะนก็ต้องอยากดีไว้ก่อน ค่อยๆก็อยากดีแล้วก็ค่อยศึกษาศึกษามากเข้ามาเข้าเราจะพบว่าถ้าเมื่อไรใจเราเกิดความอยากมันจะมีความทุกข์ส่วนคนที่เขาไม่ได้ศึกษาธรรมะเขาจะพบว่าถ้าไม่สมอยากมันจะมีความทุกข์มีความอยากแล้วไม่สมอยากมันทุกข์นี้นับปฏิบัตินเนี่ยถ้าเราฝึกดูจิตดูใจตัวเองเราจะพบว่าเมื่อไรเกิดความอยากจะสมอยากหรือจะไม่อยากก็ตามแค่อยากขึ้นมาก็มีความทุกข์แล้ว นี่พอเรารู้ว่าอยากปฏิบัติก็มีความทุกข์นะความทุกข์ความอยากไม้คลายแล้วก็ต้องค่อยฝึกไปเรื่อยๆฝึกเจอกระั่งสติมันเกิดอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้อยากให้เกิดอาศัยจุดอาศัยความอยากในเบื้องต้นนั่นเองอยากมาศึกษาธรรมะ้าศึกษาธรรมารู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วสติจะเกิดเองไม่ต้องมีความอยากมานำหน้าปรับใจที่ยังมีความอยากนำหน้าการปฏิบัติเนี่ย จิตของเราจะไม่เป็นกุศลจิตที่มีความอยากครอบงับนะเป็นอกุศลแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยความอยากมาศึกษาธรรมะให้รู้เรื่องธรรมะจริงๆไม่ได้ยากเลยง่ายทําไมมันง่ายเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านยากมาก่อนเราทดลองผิดลองถูกมาเสียสงไข่แสนมหากราบช่วงเวลาที่ยาวนาน เพื่อทดลองลองกินลองถูกผ่านความยากลําบากมาเยอะในที่สุดท่านกลักล่นกรองรธรรมะที่เรียกง่ายาธรรมะจริงเรียกง่ายมากถ้าเราเข้าใจเราศึกษาให้เข้าใจแล้วจนสติเกิดได้เองคนที่ไปเรียนอย่างหลวงพ่อที่วัดจํานวนมากเลยเวลามารายงานการปฏิบัติเชิงรายงานบอกว่าหมู่นี้ดิฉันไม่ได้ปฏิบัติหรือผมไม่ได้ปฏิบัติแต่สติเกิดทั้งวันทั้งคืน จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยรู้สึกตัวบางคนถึงขนาดว่านอนหลับอยู่ร่างกายเดบ๋รพลิกซ้ายพลิกขวายังรู้สึกเลยเห็นลยร่างกายนิ้เส้นใยไม่ใช่ตัวเรานะบังคับมันไม่ได้เห็นจิตใจทำงานทั้งวันนั้งคืออย่างนี้หมายถึงว่าสติจริงๆเกิดขึ้นแล้วนี่พวกเราจํานวนมากสติยังไม่เกิดเราอยากให้สติเกิดเราต้องเรียนว่าสติเกิดก็อะไร สติไม่ใช่สิ่งที่สั่งให้เกิดได้สติเป็นธรรมะอย่างหนึ่งสติเป็นอนาาัตตาธรรมะทั้งปวงเป็นอนาาัตตาเพราะฉะนั้นตัวสติเองก็เป็นอนาาัตตาไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้สติเกิดก็มีเหตุเหตุที่ทำให้สติเกิดคือการที่จิตจดจำสภาวะธรรมได้แม่นําว่าสภาวะธรรมนี่หมายถึงการกระจายของเรานี่เอง กายก็คือรูปธรรมจิตใจเป็นธรรมะเรียกนามธรรมหน้าที่ของเราคอยรู้กายเนืองเนืองคอยรู้เวทนาเนืองเนืองคอยรู้จิตใจตัวเองเนืองเนือรู้บ่อยๆที่เราทําสติปัฏฐานสี่กันกายานุปัสสนารู้กายเนืองเืองเวทนานุปัสสนารู้เวทนาเนืองเนืองจิตตานุปัสสนารู้จิตเนืองเือรู้เพื่ออะไรไม่ใช่รู้เพื่อให้ดีนะไม่ใช่รู้เพื่อให้สุขไม่ใช่รู้เพื่อให้สงบ แรู้ไปเพื่อให้จิตมันรู้จักสภาวะรู้จนเกือบถ้งจิตมันจำสภาวะได้ซ้ําแล้วซ้ำอีกพอจิตจำสภาวะอันใดได้แล้วหากสภาวะอันนั้นเกิดขึ้นสติจะเกิดเองโดยอัตโนมัตินี่สติอัตโนมัตินี่ตัวสําคัญ น, นะยังไม่เจือด้วยโลภะนั้นสติที่เจือด้วยโลภะเช่นเราจงใจหายใจจงใจกําหนดกําหนดมือกําหนดเท้ากําหนดท้องกหากหนดลมอันนี้เป็นแค่จุดตั้งต้น จุดตั้งต้นอย่างเกี่ยวด้วยโลภะแต่ถ้าเรากําหนดไปดูท้องดูเท้าดูลมดูมือเนี่ยแล้วหัสรู้จักสภาวะแปพอจิตจําสภาวะได้แล้วสติจะเกิดและสติมีสองงนนะสติธรรมดาธรรมดาหรือมิจฉาสติแต่สัมมาสติสัมมาสติเราลึกขึ้นได้เองเป็นความระลึกได้สติที่พวกเรารู้จักจะเป็นสติของการกําหนดแต่กาหนดลมหายใจกําหนดมือกําหนดเท้า ถ้ากําหนดโดยมุ่งหวังความสงบแล้วก็มันจะมุ่งไปสู่สมถกรรมฐานจะไม่เกิดปัญญานะแต่ถ้ากําหนดมือเท้าท้องลมหายใจอะไรแล้วหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆจิตจําสภาวะได้ในที่สุดสติตัวจริงสมัมมาสติจะเกิดโดยไม่ได้กําหนดงั้นใครเคยปฏิบัติกรรมฐานอะไรทําต่อไปได้ไม่ต้องเลิกใครเคยพุโทโธก็พุโทโธไปพุโทโธพุโทพโธ ก็หักสังเกตสภาวะพุโทโธสักพักหนึ่งใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดเนี่ยสภาวะของการหนีไปคิดเกิดขึ้นแล้วพุโทโธพุธโทโธใจสงบรู้ว่าสงบมีสภาวะของความสงบเกิดขึ้นแล้วคนไหนรู้ลงหายใจแ้าหายใจไปทุกวันต้องฝึกนะแบ่งเวลาฝึกใกล้ๆนักหมวยเข้าค่ายซ้อมทุกวันต้องซอ้อมชกกระสอบชกกระเลงนี่ต้องซ้อมะ นักปฏิบัติก็ซ้อมเช่นคนไหนเคยหายใจหายใจไปหายใจไปเรื่อยๆอย่าไปบังคับนะอย่าไปบังคับให้จิตสงบไม่ได้ฝึกให้จิตสงบถ้าจะฝึกให้จิตสงบเป็นเรื่องการทำสมาธินี่เราจะพูดเรื่องวิปัสสนาสมาธิก็ดีมีประโยชน์แต่วันนี้เรียนเรื่องวิปัสสนาหายใจไปแล้วเห็นร่างกายนี้หายใจเหมือนเรากำลังดูคนอื่นหายใจอยู่ใจของเราเป็นคนดูเห็นร่างกายนี้หายใจ นี่อย่างนี้เป็นการฝึกหัดรู้สภาวะของรูปรูปคือร่างกายนี่มันกระเพื่อมมันมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกหัดรู้สึกไปพอใจลอยแว้บแป๊บรู้ทันว่าใจลอยก็มารู้ลมต่อไม่ใช่รู้ให้สงบนะแต่รู้เพื่อจะรู้ทันจิตใจตนเองรู้ทันร่างกายรู้ทันจิตใจร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายหายใจออกก็รู้สึก หรือร่าจิตใจแอบไปคิดเรื่องอื่นก็รู้จิตเข้าไปเพ่งลมหายใจก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสงบก็รู้มีปีติมีความสุขนะมีเวเบกขาเกิดขึ้นก็รู้อาจรู้สภาวะเรื่อยๆจนจิตมันจําสภาวะได้แล้วสติจะเกิดโดยไม่ได้เชื้อเชิญให้เกิดได้เกิดเองคนไหนเคยฝึก ด, ดูท้องของยุบก็ดูท้องของยุบแปถ้าดูท้องของยุบแล้วจะฝึกรู้กายนะ้็ฝึกอย่างนี้ ฝึกรู้กายเราก็เห็นร่างกายนี้มันพองมันยุบไปจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูต้องมีจิตเป็นคนรู้กายนะถึงจะเริ่มมีปัชนาได้ถ้ายัางไม่มีจิตเป็นผู้รู้กายเอาจิตไปแช่ไว้ในท้องเอาจิตไปแช่ไว้ในมือในเท้าในลมหายใจจะเป็นการเพ่งตัวอารมณ์อย่างนั้นเป็นสมถะแต่ถ้าเราเห็นร่างกายนี้พองยุบไปใจเป็นแค่คนดูเราจะรู้สึกทันทีเลย ร่างกายที่พองยุบอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรารู้สึกทันทีนะมันจะเห็นเลยไม่ใช่ตัวเราตัวร่างกายมันพองร่างกายมันยุบนี่จะเริ่มถอดถอนความเห็นผิดว่ากายเป็นตัวเราได้นี่เป็นการทำวิปพัฒนานะนิปัฒนาเนี่ยเป็นการทำเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ากายกับใจคือตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆใจเป็นคนดูไม่ใช่เห็นเลยมันเป็นแค่สิ่งที่ถูกดูเท่านั้นร่างกายนี้ จิตเป็นคนดูเพราะฉะนั้นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราอย่างมากที่สุดร่างกายนี้เป็นแค่ของเราเนทะ่านั้นลดระดับจากตัวเราลงมาเป็นของเรานี้เฝ้ารู้ต่อไปเรื่อยๆนะต่อไปก็จะปัญญาแก่รอบขึ้นเห็นอีกกายนี้ถูกความทุกข์บีบพันตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์นะเดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าทุกข์ยังงเราหายใจเข้าไม่เลิกสิท หายใจเข้าไปสักพักหนึ่งทุกนะ้เราต้องหายใจออกแก้ทุกหายใจออกสักพักหนึ่งทุกอีกแล้วเราต้องหายใจเข้าแก้ทุกนี่หายใจเข้าหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกเพราะร่างกายถูกความทุกบีบพันตลอดเวลาะยืนเดินนั่งนอนอย่างเรานั่งสักพักเราก็ต้องขยับเปลี่ยนดีๆอยาปวดเพราะอะไรเพราะร่างกายมันทุกเนี่เราเฝ้ารู้ไปด้วยโอ้มันทุกล้วนๆมันไม่ใช่ตัวเรามันทุกล้วนๆไงช้าๆละความเห็นผิดไป มันเป็นก้อนธาตุตัวมันก็เป็นธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนะเช่นหายใจเข้าหายใจออกมี่อย่างนี้เรียกว่าเรารู้กายทำนี้ปรัสนาด้วยการรู้กายจะถอดถอนความเห็นผิดว่าร่างกายเป็นตัวเราได้การดูว่ากายไม่ใช่ตัวเราทําได้ง่ายมากนะแค่สติตัวจริงเกิดจะเห็นทันทีว่าร่างกายไม่ใช่เราจะเห็นทันทีนะะไม่ใช่ว่าสติตัวจริงเกิดแล้วต้องอีกหลายๆปีถึงจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรา ร่งกายเนี่ยดูว่าไม่ใช่เราง่ายที่สุดง่ายมากสิ่งที่เรายึดเหนียวแน่นว่าเป็นตัวเราคือจิตนั่นเองพระพุทธเจ้าถือถนัดสอนบอกดูก่อนพิสูจทั้งหลายผู้ทูชนที่ไม่ได้สดับสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราแต่ผู้ทูชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานี่ขันห้ารวมแล้วลงมาเป็นกายกับจิตเนี่ยถ้าเรายังเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวเราเนี่ยเรียกว่าเรายังลางสักกายทิฏฐิไม่ได้ แต่อย่าเป็นพระโสดาบันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งเป้าหมายนะว่าในชีวิตนี้อย่างต่ําจะเป็นพระโสดาบันเราต้องรู้เป็นพระโสดาบันนี่พระโสดาบันละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้มัานะคอยดูอยู่ที่กายคอยดูอยู่ที่ใจสติตัวจริงเกิดปับ๊บจะเห็นในกายนี้ไม่ใช่เราง่ายแต่ต้าจะดูจิตว่าไม่ใช่เราต้องดูกันนานค่อนะยๆสังเกตจิตใจไปจิตใจเราแต่ละวันไม่เหมือนกันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเดี๋ยวก็โลภ เ, เดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนไม่มีหยุดพักนะเวลาเข้าระวังหลับลึกๆเท่า น, นั้นน่ถึงจะพักเวลานอกนั้นจิตทํางานตลอดเวลาหน้าที่เราก็คอยรู้คอยดูความเปลี่ยนแปลงของเขาไปเรื่อยๆนี่เป็นการหัดดูจิตเพรน้นเบื้องต้นจะหายใจก่อนก็ได้จะดูท้องของยุบไปก็ได้แล้วหัดสังเกตสภาวะของจิตใจนะ ใจิตใจแอบไปคิดก็รู้จิตเป็นเพ่งท้องเพ่งลมหายใจก็รู้นะจิตเป็นยังไงก็รู้เมื่อรู้มากเข้ามาเข้าต่ไปเราจะเห็นจิตโดยอัตโนมัติเห็นโดยไม่ได้ตั้งใจจะเห็นเบื้องต้นจะเห็นอารมณ์ยากอยากก่อนเช่นความโกรธเกิดขึ้นมาความโกรธพู่ปัาบขึ้นมาก็กิ เ, เลสทั้งหลายมันจะพุ่งขึ้นมาจากกลางอกเรานะขึ้นจากกลางอกในตําราบอกว่ามันขึ้นจากหัตยวัตถุ ในอภิธรรมของหัตยวัตถุบางคนก็ว่าหัตยวัตถุอยู่ที่หัวใจแต่ว่านักปฏิบัติจะเห็นว่าจริงๆแล้วนามธรรมหรือความรู้สึกปุดขึ้นตรงไหนตรงนั้นแหละคือนิยามของหัตยวัตถุจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่ตรงหัวใจเราดูจากของจริงเอาความรู้สึกต่างๆของเรามันปุดขึ้นมาจากกลางอก น, นะแต่ว่ามีวิธีดูก็คืออย่าเป็นจ้องไว้ก่อนห้ามจ้องก่อน รอให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาค่อยตามรู้เอาการดูจิตดูใจเนี่ยจะต้องตามรู้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้เช่นโกรธไปก่อนอัดใหม่ๆจะรู้อารมณ์อย่ากเช่นความโกรธความโกรธผุดขึ้นมาเราจะรู้สึกโอะโกรธละถ้าโกรธแรงนี้ขึ้นหน้านะเลือดเลือนขึ้นหน้าเลยหน้าแดงหน้าร้อนตาโผล่เนี่ยมนพุ่งขึ้นมากระทบเต็มร่างกาย หัดใหม่ๆก็จะเห็นของอยาบเช่นความโกรธแรงๆหัดรู้หัดดูทุกวันทุกวันหัดรูหัดดูทุกวันทุกวั น, ว น, ว น, วนต่อไปหัดใจเล็กๆเกิดขึ้นสติก็ระลึกได้จะเห็นได้ละเอียดขึ้นเรื่อยๆต่อไปถ้าละเอียดถึงที่สุดจะเห็นความหลงความหลงก็คือจิตเราเนี่ยหลงไปลืมกายลืมใจตัวเองในโลกนี้มีแต่คนหลงนะในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวหรอก นี่เราพูดกันอย่างนักปฏิบัติพูดนะไม่ได้พูดเถียงกันเล่นๆจิตแใจของคนเราแต่ละคนเนี่หลงตลอดเวลาแต่ทั้งคนที่บอกว่ารู้สึกตัวไม่รู้สึกจริงหรอกถึงรู้สึกตัวก็รู้สึกด้วยสติธรรมดาไม่ใช่รู้สึกอย่างที่มีสัมมาสติหรือสัมมาสมาธิหรือมีสัมปชัญญะํากับงั้นจะต้องค่อยๆเรียนนะจนสติตัวจริงเกิดจิตจะ ต, ต, ตื่นขึ้นมาชั่วขณะ ความหลงเราก็ต so so right ้องเรียนความหลงคือการที่เราลืมกายลืมใจตัวเองสังเกตไหมเราลืมกายลืมใจตัวเองทั้งวันเลยทั้งวันคนทั่วทั่วไปพอตื่นนอนก็ลืมกายลืมใจตัวเองแล้วคิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้รู้เรื่องที่คิดนะแต่ลืมกายลืมใจตัวเองรู้เรื่องที่คิดแล้วลืมกายลืมใจก็เรียกว่าหลงเหมือนกันแต่ถ้าไปคิดเรื่องที่เป็นกุศลก็เป็นการปรุงแต่งปัจจกุศลขึ้นมา ก็จะได้ไปสู่พบกลุ่มที่ดีแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลนิพพานอย่างได้มรรคผลนิพพานต้องเห็นการเห็นใจเห็นสภาวะจริงจิตหลงไปคิดก็รู้จิตหลงไปดูจิตหลงไปฟังนะจิตหลงไปดมกลิ่นริมรสจิตหลงไปสัมผัสทางกายไปรู้สัมผัสทางกายจะหลงออกทางสวรรทั้งหกนั่นเองจิตหลงที่เกิดมากที่สุดคือหลงไปคิดสังเกตให้ดีขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดเราเราสังเกตสภาวะนะ หากสังเกตสภาวะไปด้วยการตร้อมๆกันสังเกตไหมฟังหลวงข้อพูดไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปฟังสลับแกะคิดตัวออกไม้มค่อยๆหัดสังเกตนะอย่าไปเพ่งให้นิ่งนะถ้าตัวไหนไปเพ่งให้นิ่งทำสมมติอยู่จะสังเกตไม่ออกหรอกเพราะว่าใจนิ่งแล้วสมมติมีประโยชน์ในแง่ทําจิตใจให้สงบแต่ถึงจุดหนึ่งขวางการเจริญวิปัสสนาเหมือนกันเป็นพื้นฐาน แต่ว่าถ้าจัดการไม่ดีนะก็ขัดขวางมันทําให้ทุกอย่างนิ่งผิดความเป็นจริงสังเกตไหมใจตอนนี้ฟูต้านละดูออกไหมหนีไปคิด อ, อุจจาระเลยดูออกหรือเปล่านี่ถ้าเรียนกลุ่มย่อยๆนะหลวงพ่อเขาจะพาดูได้ทีละคนนี่เยอะเกินไปพาดูทีละคนไม่ได้พวกที่มาเรียนรุ่นแรกๆจะง่ายจะหัดดูได้ทีละคนหัดรู้สภาวะได้นึ่ง การฟังหลวงพ่อเทศไม่ต้องกังวลเรื่องเนื้อหาสาระนะไม่จําเป็นต้องฟังให้รู้เรื่องหลวงพ่อสอนอะไรหลวงพ่อสอนให้หัดดูสภาวะแค่นั้นเองเนื่อถ้าเราเมื่อไร่เราหัดดูสภาวะได้เช่นเรานั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพอ่อเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังเดี๋ยวก็สลับไปคิดแตถ้าเราเห็นใจมันทํางานอย่างนี้อเด็กนี้ใช้ได้ละถือว่าประสบความสําเร็จในการเรียนกับหลวงพ่อละไม่ต้องรู้อะไรหรอก รู้จิตรู้ใจตัวเองนั่นแหละดีที่สุดธรรมะไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อนะธรรมะอยู่ที่จิตใจของพวกเราเองต้องหัดเรียนรู้ที่จิตที่ใจของเราหรือเรานั่งฟังหลวงพ่อไปเรื่อยๆเกิดความสงสัยเกิดงงฟังแล้วงงสภาวะของความงงเกิดขึ้นเรารู้ว่างงใช้ได้แล้วเราหัดรู้สภาวะใช้ได้ฟังแล้วก็รำคาญฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องวนไปวนมาฟังแล้วรำคาญรู้ว่ารำคาญ ใช้ได้แล้วเงั้นฝั่งหลวงพ่อพูดไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้ไม่ได้เรียกร้องให้ฝังรู้เรื่องถ้าฝังรู้เรื่องจะต้องฟังไปคิดไปถึงจะรู้เรื่องหลวงพ่อต้องการให้เราฟังแล้วก็รู้ว่าฟังรู้ว่าคิดรู้ว่าใจลอยไปเรื่องอื่นแล้วรู้ว่างงรู้ว่าสงสัยรู้ว่าหงุดหงิดลำคาญตอนไหนฟังรู้เรื่องหรือบางครั้งหลวงพ่อพูดให้ตลกตลกจิตใจสนุกสนานขึ้นมารู้ว่าสนุกสนานขึ้นใช้ได้แล้ว เรียนธรรมะเรียนจากตรงนี้นะเรียนจัดของจริงในใจของเราไม่มีใครสอนธรรมะใครได้ธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวเรียนอยู่ที่กายที่ใจกายกับใจเท่านั้นถึงจะสอนธรรมะเราได้คนอื่นบอกได้แต่ทางนะบอกว่าหัดมาดูกายหัดมาดูใจสิวิธีดูกายดูใจที่ถูกต้องทํำยังไงอย่าเน้อไปที่อื่นสิอย่าเพ่งกายเพ่งใจให้รู้อย่างที่เขาเป็นบอกกันได้แค่นี้เอง ที่เหลือต้องทำเอาเองหัดดูใจของตัวเองแบบทำไมหลวงพ่อเน้นให้ดูใจตัวเองพวกเราในที่นี้ส่วนมากเป็นคนเมืองงานหลักของพวกเราคือคิดแต่ละวันเราทํามาหากินด้วยการคิดเป็นส่วนมากนะพวกที่คิดมากเหมาะกับการดูจิตพวกที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามเหมากอาการดูกายเพราะฉะนั้นคนในเมืองเนี่ยหลวงปู่ดูลไปบอกหลวงพ่อไว้ บอกไว้ตั้งแต่ปีสองห้าสองหกอยู่ๆท่านก็พูดนะบอกต่อไปการดูจิตเจอรุ่งเรืองในเมืองไม่พูดอย่างนี้เราฟังท่านแล้วมันจะรู่เรืองได้ยังไงไม่มีคนรู้จักการดูจิตเลยไม่มีคนรู้จักมีแต่คนดูกายทั้งหมดเลยเก็นไหมกรรมฐานทั้งหลายที่เราทําเนี่ยสานักดูกายทท้ๆนั้นเราสํานักก็พิดจารณา ก, กายอย่างที่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านทํากัน บางสำนักก็ดูท้องบางํานักขยับมือนี่เรื่องกายทางนั้นบางสานักก็รู้ลมหายใจอี่ยวสายส่วนโมกแต่ถ้าจริงๆถ้ารู้กายถูกต้องก็รู้ใจนะมันไม่ใช่รู้กายอันเดียวแต่ส่วนใหญ่ชอบไปเพ่งกายเราไม่รู้ใจอย่างนั้นใช้ไม่ได้เพราะว่าตัวที่เรายึดว่าเป็นตัวเราเดี๋ยวแน่นที่สุดคือใจนี่เองดงนั้นปฏิบัติต้องให้เข้าถึงจิตถึงใจแล้วละความเห็นจิดว่าใจเป็นตัวเราได้นั่นแหละจะได้พระโสดาบัน ไม่ยากนะยาแต่ก่อนงงว่าทำไมหลวงปู่บอกว่าการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองต่อมาเดี๋ยวนี้ไม่งงเพราะสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วสังคมของคนสมัยใหม่รีบร้อนนะลุกลี้ลุกลนแต่ละวันประเทศต้องกินอาหารก็ต้องฟาสต์ฟู้ดแต่เด็กเนีน้ยนะต้องเร็วๆเราไม่มีกําลังของศรัทธาเราไม่มีกําลังของวิริยะที่จะท่าเพียนมารู้กายได้เป็นวันๆ ทุกวันทุกวันนะะทุ่มเทเวลาลงไปเหนื่อยยากมากมากปฏิบัติกันหลายหลายปีส่วนใหญ่ทนไม่ค่อยได้คนะคนรุ่นนี้ใจร้อนนะใจร้อนกว่ารุ่นที่หลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์รุ่นนั้นใจเย็นกว่า น, นิดเดี๋ยว น, นี้ค่อนข้างโหดโหดหน่อยนะใจร้อนถ้าใจร้อนเนี่มันเหมาะกับการดูจิตถ้าจิตมันเปลี่ยนเร็วนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันหมุนจีจีจีอยู่ทั้งวันเลย ถ้าเรามีสติตามดูเราจะเห็นใจรักจิตใจนี้ไม่เที่ยงกับหลายเวลาทํางานทั้งวันทั้งคืนเจิตใจนี้เป็นทุกข์นะหาความสุขไม่ค่อยจะได้จิตใจเป็นของบังคับไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้มันจะหมุนจี๋จี๋จีจทั้งวันทั้งคืนเนี่ถ้าเราตามรู้ตามดูโดยไม่เข้าไปแทรกแซงถึงจุดหนึ่งปัญญาจะเกิดเออจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทํางานของมันได้เองนี่จะเห็นอย่างนี้นะ จะเห็นว่าเออมันทํางานได้เองมันไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้ด้วยะสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกขก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้สักอย่างสั่งให้ฟังอย่างเดียวยังไม่ได้เลยพวกเราลองฟังอย่างเดียวได้ไหมฟังแล้วไม่คิดแม้เนี่ยมันธรรมะมันแสดงตัวตลอดเวลาเราฟังแล้วก็คิดฟังแล้วไม่คิดสังเกตไหมจิตจะฟังหรือจิตจะคิดเราก็เลือกไม่ได้ดูออกไหมจิตจะฟังหรือจะคิดก็เลือกไม่ได้นี่หัดดูลงไป เราจะได้เห็นว่าจิตนี้เป็นไสรักจริงๆนะบังคับมันไม่ได้มันจะฟังหรือมันจะคิดอย่างเลือกไม่ได้นะี่หัดดูจากของจริงอย่างนี้ดูไปเรื่อยๆเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีดูเข้าไปอย่าท้อถอยนะแต่ไม่ใช่เพ่งนะอางคณติดเพ่งแร่งติดเร่งอยู่เพ่งแล้วใจจะซึมใจจะซึมนั่นเสื้อเหลืองไจ่ลอยนมแถวที่สองเนี่ย ไปรู้สึกไปลกนะเจตใจเราเป็นยังไง ร, รู้ไปรู้ไปรู้ลงปัจจุบันไปทีละขณะทีละขณะถ้าเรารู้สภาวะที่ปรากฏในปัจจุบันทีละขณะทีละขณะได้นะเราไปเราจะปฏิบัติได้อัตโนมัติสติเกิดเองเกิดทั้งวันเลยนะไม่ต้องเชื้อเชิญให้เกิดเลยแต่ก็ไม่ใช่แปลว่าห้ามทําสมาธินะถึงเวลาต้องทำไหว้พระสวนมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมการปฏิบัติในรูปแบบเคยทําอะไรต้องทําทําแล้วจิตใจจะเข้มแข็ง ถ้าอยู่ๆเจอเจริญสติในชีวิตประจำวันรวดเดียวไปเลยเนี่ยจิตใจไม่ค่อยมีแรงพอมันจะเหมือนรู้แต่ไม่รู้จริงเพราะงั้นใครทำสมถะได้ก็ไม่ทิ้งใครมีรูปแบบของการปฏิบัตินะก็ไม่ทิ้งแต่ต้องรู้นะว่าขนาที่เรากาลังทำตามรูปแบบเนี่ยขนานี้เป็นสมถะหรือวิปัสนาต้องแยกให้ออกนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยทาแต่สมถะไม่ได้ขึ้นวิปัสนา หลายคนไม่รู้ว่ามีปรันสนาคืออะไรซะด้วยซ้ำไปหลายคนคิดว่ามีปรัช น, นาคือการคิดว่ากายกใจเป็นไตรลักษมีปรันสนาแท้ๆเลยการคิดไปละครูบาอาจารย์องค์หนึ่งคือหลวงพ่อพุธว่ก่อนท่านมาที่นี่บ่อยนะหลวงพ่อพุธในที่หลวงพ่อต้องมาที่นี่ก็หลวงพ่อพุธเคยสั่งว่าพวกเราอย่าทิ้งสารุญชินนะท่านสั่งไว้อย่างนี้ หลวงพ่อเลยไม่ได้รับนิมนต์ไปที่อื่นเลยนะมาที่นี่หลวงพ่อพูดเนี่ยท่านสอนบอกว่าสมาธิเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจนิพพานาเริ่มเมื่อหมดความคิตครูบาอาจารย์เก่งนะสรุปออกมาได้อย่างนี้นิัพานาเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจเช่นเราอยากให้จิตสงบเราก็พยายามบังคับจิตให้สงบจิตจะไม่สงบเลย แต่ถ้าเราหัดรู้นะเช่นเรารู้ลมหายใจหรือเรารู้ท้องของยุบรู้สบายสบายรู้เล่นเล่นรู้สบายสบายมันจะสงบอย่างรวดเร็วนี่ถ้าจงใจจะรู้โจงใจจะให้สงบจะไม่สงบเหมือนเวลาเราจะนอนหลับ่ะถ้าพยายามจะหลับนะมันไม่หลับถ้านอนเล่นเล่นแล้วมันหับง่ายทําไมมันเป็นอย่างนั้นก็อาพิธรรมสอนนะคือาอาพิธรรมก็สอนบอกความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ ต้องมีความสุขนะจิตถึงจะสงบนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําสมาธินะหายใจสบายๆหรือดูท้องของยุบอย่างสบายอย่าจงใจให้มันสงบดูเล่นๆดูสบายๆแป๊เดียวสงบนะีค่ครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้วิปัสนาเริ่มวาบทดความคิดวิปัสนาคือการเห็นเห็นตรงความเป็นจริงเห็นกายเห็นใจตรงตามความเป็นจริงหรับใดที่เรายังคิดอยู่มันจะไม่ตรงความเป็นจริง พราะวเราเวลาเราคิดเราอย่าคิดเข้าข้างตัวเองไปเรื่อยๆคิดแบบต่มีอคติเราจะต้องทําตัวเหมือนนักวิจัยนะนักปฏิบัติมีปัตสนาเนะี่ยต้องทําตัวแบบนักวิจัยเอาความคิดความเห็นของตัวเองวางไว้ก่อนแล้วมาดูว่าของจริงเป็นยังไงก็ดูจากของจริงดูกายจริงๆสิมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงมันบังคับได้หรือไม่ได้ดูจากของจริง นะดูจิตเข้าไปทีเที่ยงหรือไม่เที่ยงแม้มันสายตลอดเวลาไม่เที่ยงให้ดูหรอกมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกขนะ์มันบังคับได้หรือบังคับไม่ได้ดูลงไปนะบังคับได้ไม่ได้ก็ดูง่ายนะอย่างจิตเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ปังเดี๋ยวก็คิดสลับไปสลับมาเราห้ามไม่ได้เราเลือกไม่ได้นี่ดูจากของจริงนะถ้าเรายังตราบใดที่เรายังคิดเอาเนี่ยเราจะไม่เห็นความจริงความคิดกับความจริงเป็นคนละสิ่งกัน ราฉะนั้นการที่เราจะเข้าถึงความจริงของกายของใจได้ต้องดูเอาต้องรู้สึกเอาคิดเอาไม่ได้ยกตัวอย่างนะอย่างพวกเราสังเกตไ้มนั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเราฟังไปคิดไปตรงนี้ดูออกกันยังฟังไปคิดไปหลวงพ่อถามหน่อยเถอะที่ว่ารู้เรื่องน่ะรู้เรื่องเพฟังหรือรู้เรื่องก็คิดดูให้ดีนะรู้เรื่องก็คิดเอาเองนะสังเกตไหมถ้าฟังแล้วไม่คิดจะไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าหลวงพ่อพูดอะไรเลย แต่แล้วเราฟังแล้วเราก็คิดฟังแล้วเราก็คิดคิดไปคิดมาเราก็อ๋อเข้าใจแล้วนึกออกไหมเราเข้าใจเพราะคิดเอาเองเราเข้าใจเพราะคิดเอาเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดเอาเองเนี่ยอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าสอนอย่างหนึ่งเราฟังแล้วก็แปลไปอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยหลวงปู่ม่านถึงบอกว่าธรรมะไปอยู่ในใจของกูตุชนแล้วเป็นสัตว์ทำปฏิยรูปเป็นทำปลอมอย่างฉับพลันเลยอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่า ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์เอาเราฟังปุ๊บเราก็แปลเลยคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์ไม่เหมือนกันนะ <uli bey> ท่อนอานบอกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ไม่มีคนมีแต่รูปกับนามว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าคือขันห้าคือกายกับใจรูปกับนามนี่แหละคือตัวทุกข์นี่ท่านสอนอย่างนี้ไม่มีคน 1> <1> แต่เราฟังปุ๊บนะคนเกิดคนแก่ค น, แกคนเจ็บคนตายเป็นทุกข์ไม่เหมือนละ หรืออย่างท่านสอนบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์เราก็รู้สึกว่าเรารู้ธรรมะนะเราก็รู้สึกร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกอย่างนี้ไหมนะไม่ได้ตรงกับที่พระพุเทธเจ้าสอนนะนะพระพุเทธเจ้าบอกทุกให้รู้ถามว่ามีใครอยากรู้ทุกข์ไหมไม่มีใครอยากรู้ทุกข์นะมีแต่คนอยากละทุกข์ ถ้าความทุกข์เกิดขึ้นนั้นเราก็ไปกินเหล้าเมายาไปเที่ยวไปคุยกับเพื่อนอะไรให้ปลื้มๆๆลืมความทุกข์ไปยืมลืมไปได้ยิ่งดีพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์เราก็ไม่อยากรู้เราอยากละไม่เหมือนเลยนะไม่เหมือนที่ท่านสอนเพราะฉั้นเราต้องค่อยๆเรียนค่อยๆฟังค่อยๆสังเกตปรับใดที่เรายังรู้กายรู้ใจของจริงไม่ได้เรายังคิดยังเจือด้วยความคิดอยู่เนยไม่ใช่วิปัสสนาแท้ ถ้าพูดอย่างอภิธรรมเนี่ยความคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นไตรลักษณ์นะสูงสุดจะได้ญาณที่เรียกว่าสัมมาสัญาณเห็นไตรลักษณ์เหมือนกันแต่เห็นด้วยการคิดยังไม่ขึ้นวิปัสนาตัวจริงวิปัสนาตัวจริงจะขึ้นในญาณที่เรียกว่าอุทยัติยญาณจะเห็นความเกิดดับเช่นเราเห็นจิตเนี่ยเกิดขึ้นมาเช่นจิตมันโมโหเราเห็นจิตมโมโหเกิดขึ้นมาพอเราเห็นเพมันขาดปั๊บเลยมันก็ขาดปั๊บเน้นจะมีช่องว่างเล็กๆหมบานขั้นหนึ่ง และจิตอีกดวงหนึ่งก็จะเกิดขึ้นมาใหม่เราจะเห็นเลยจิตที่โกรธกับจิตที่รู้สึกกลัวเนี่ยพนละดวงกันจิตไม่ได้มีดวงเดียวในจิตเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปดวงใหม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะมีช่องว่างบางขั้นถ้าอย่างนี้เราจะเริ่มละความเห็นผิดว่าจิตเที่ยงแต่เดิมเราคิดว่าจิตเที่ยงนะรู้สึกไหมในตัวเรานี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆ ก, ก็คนเดิมเราตอนนี้กับเราในอนาคตก็คนเดิม นี่เพราะเราไม่เห็นว่าจิตนี้มันเกิดดับแล้วต้องค่อยๆเรียนต้องค่อยๆศึกษาจนสติตัวจริงเกิดอัดรู้สภาวะแปใจมันสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้โลภโลกรธหลงก็รู้ฝึกรู้อยู่ในชีวิตธรรมดานี้แต่ว่าตอบข้าอย่าลืมไม่พาส่วนมนนะทำสมาธิเดินจงกรมในรูปแบบไม่ทิ้งถ้าทิ้งแล้วไม่มีกาลังพอไหวไหม หลวงพ่อจะเล่าให้ฟังนะหลวงพ่อเคยเล่าแล้วในซีดีมีครั้งที่หนึ่งมั้งว่าหลวงพ่อปฏิบัติตอนเป็นคารวะนะไม่ใช่ปฏิบัติตอนมาเป็นพระปฏิบัติตอนเป็นคารวะเหมือนพวกเรานี้แหละเราต้อเป็นวัยที่กําลังทํางานหนักเลยทํางานหนักแต่เงินเดือนน้อยตื่นเช้าขึ้นมานะรับราชาการตื่นเช้าขึ้นมานึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งใจแห้งแล้งรู้ว่าแห้งแล้งนี่คือการปฏิบัตินะ จิตใจที่แรกเฉยๆพอคิดได้ว่าวันนี้วันจันทร์จิต ท, ที่เฉยดับไปเกิดจิต ท, ที่แห้งแรงขึ้นมาแทนเกิดตื่นขึ้นมาปุ๊บจิตเฉยๆอยู่นึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันศุกร์จิตสดชื่นเลยสดชื่นทันทีถ้าวันพุธหรือวัก็เริ่มสดชื่นแล้วะวันพุธนี่จะเซ็งมากหน่อยนะเป็นไหมใครเป็นอย่างหลวงพ่อถ้าเป็นแสดงว่าเป็นข้าราชการชั้นเลวเหมือนหลวงพ่อนะ นี่หัดดูจัดของจริงอย่างนี้นะดูจัดของจริงมันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยเด็กเล็กมันก็ดูเป็นความรู้สึกอะไรกําลังปรากฏขึ้นมาคอยรู้คอยดูไปแล้วความรู้สึกนั้นแหละจะสอนใจรักให้ดูเสร็จแล้วเอาไปอาบน้ํานะสมัยก่อนคนโบราณนี่อาบน้ําในตุน่มถึงว่าวันนี้ฝนตกตอนกลางคืนหนาวใชนะ่หรือว่าเป็นหน้าหนาวพอตาเรามองเห็นตุ่มน้ําใจจะรู้สึกนะไม่ใช่รู้สึกสดชื่นนะ รู้สึกสยองใครเคยอาบน้ำในตุ่มไหมเกิด <c oughs> okay. ถ้าเด็กสมัยใหม่ไหมนะมี น, น้ำร้อนน้ำบุ่นอะไรนี้มันไม่รู้รสชาติของชีวิตนะเ <c oughs> นี่ยตาตามองเห็นตุ่มน้ำเนหใจมันสยองรู้ว่าสยองอาบน้ำขันที่หนึ่งนี่กลัวนะขันแรกตักน้ำยังไม่ทันถูกนี่กลัวมากที่สุดถูกแล้วเนี่ยความกลัวเริ่มลดลงขันที่สองสามสี่นี่ความกลัวความสยดสยองค่อยๆลดลงนะ พอถึงท้ายๆเริ่มดีใจแล้วจะเสร็จแล้วดีใจพออาบน้ําเสร็จเช็ดตัวแห้งปุ๊บตัวจะอุ่นจะรู้สึกพอใจมีความสุขไหมจิตใจแค่อาบน้ำอย่งเปลี่ยนเลยเห็นไหมกร ะ, ะทั่งเข้าห้องน้ําก็ทําได้น ะ, ะวันไหนเท้าผูกไปนั่งตั้งนานนะไม่ได้ผลเนี่ยไม่สบายใจใช่ไหมเกิดได้ผลขึ้นมาดีใจรู้สึกไหมก็ถึงเรื่องว่าห้องสุขาเอถ้าประสบความสําเร็จแล้วเออมีความสุข น เ, เนี่ยฝึกไปอย่างเนี้เข้าห้องน้ําเนี่ยฝึกได้เยอะนะทำไมก่อนหลวงพ่อทํางานทํางานนั่งคิดงานนั่งเขียนเขียนจีคอมพิวเตอร์ทำอะไรอยู่เนี้ยมีกราฟข้ อ, ข อ, ขอมูลเยอะแยะชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเนี่ยเหนื่อยจะเบรกเองวิธีเบรกเองของหลวงพ่อนะถ้าอยู่ๆล้วก็เลิกไปนั่งอ่านหนังสือพิมพ์กินกาแฟหัวหน้าจะตา่าหลกงพ่ใช้วิธีเดินไปห้องน้ําไม่มีใครกล้าว่าเนี่ยเราจะไปห้องน้ำใช่ไหม วิธีเดินไปห้องน้ําก็คือรู้สึกตัวดูจิตยังไม่ได้นะเราคิดงานจนหัวหมุนติ้วติ้ติ้วเนี่ย ด, ดูจิตยังไม่ได้ดูไม่ออกดูกายไปก่อนเวลาที่เรานั่งเก้าอี้อยู่แล้วเราจะลุกจากเก้าอี้เราข ย, ยับอะไรก่อนเออข ย, ยับแขนข ย, ยับแขนข ย, ยับมือก่อนนี่ใช้ได้เด็กๆว่าหัดดูหึือไม่ก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาแล้วต <c oughs> <c oughs> อนนี้ย้ำรับก็ฟังและ <c oughs> เราจะขยับเราก็แค่รู้นะเห็นร่างกายนี้มันเดินไปห้องน้ําเห็นร่างกายเดินไปห้องน้ําเดินไปเดินไปเออร่างกายมันเดินนะไม่ใช่เราเดินนะเราเห็นเหมือนคนอื่นเดินนี่อย่างนี้วิปัสสนาดูกายนะเห็นกายเป็นคนอื่นแล้วไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์บุคคลอะไรจริงๆเห็นเป็นวัตถุเห็นเหมือนหุ่นยนต์มันเดินไปห้องน้ําผู้ชายก็ไปยืนฉี่ใช่ไหมผู้ชายไม่ไปนั่งยองๆฉี่หรอกประหลาดนี่นะแล้วเราฉี่เนี่ยพอเราฉี่เสร็จแล้วรู้สึกมีความสุข เนี่ยพอความสุขเกิดปุ๊บนะสติระลึกได้เลยมีความสุขกลับมาดูจิตได้แล้วเห็นไหมแค่ไปี่เฉยๆก็กลับมาดูจิตได้แล้วนะเดินกลับมาทํางานนะเจอเพื่อนทักทายคุยกันแหมสนุกสนุกความสนุกขุดขึ้นมารู้ว่าสนุกแล้วเดินกลับมาทํางานพอมาเห็นโต๊ะทางานเห็นงานเข้าใจเฉยๆนิ่งๆรู้ว่านิ่งๆนะหรือถ้าขี้เกียจทํางานก็เห็นงานทุบใจมันเบื่อรู้ว่าเบื่อฝึกอย่างนี้นะฝึกได้ เจอดขึ้นรถเม์ก็ฝึกได้ไม่ได้ยากอะไรครับผมพ่อก็เป็นนักขึ้นรถเมนะเวลาตอนเช้าจะไปทำงานรีบๆออกมาเจอคนเต็มป้ายรถเม์นี่ห้าร้อยคนสำนวนบาลีนะห้าร้อยนะถ้าเยอะกว่านี้ก็แปดหมืนสี่พันคนี่เจอคนห้าร้อยคนร่วมชะตากรรมไม่มีความสุขเลยจิตใจไม่สบายใจเห็นเลยว่ามันไม่สบายใจ รอรเมย์ก็ไม่ตั้งนานแล้วมันไม่มานะกระวนกระวายตัวจะไปทํางานสายรู้ว่ากระวนกระวายเห็นรถเมยว่างมาดีใจรู้ว่าดีใจรถเมยว่างไม่ยอมจอดเปลี่ยนจากดีใจเป็นโกรธใครเคยเป็นไหมสารภาพมันถ้าใครเคยรอแล้วบอกว่าไม่เป็นนี่นะโอ้โหน่านับถือนะนับถืออะไรนับถือการไม่ยอมรับความจริงเนี่ยเราปฏิบัติเราไม่ได้เสแสร้ ความรู้สึกของเราเป็นยังไงรู้ไปอย่างซื่อๆตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบไปถ้ากระทบแล้วเกิดความรู้สึกอะไรตามมานะรู้ไปอย่างซื่อๆตรงๆไม่ต้องหลีกเลี่ยงการกระทบนะครูอเจ้าสอนพิสูจทั้งหลายเมื่อตาเห็นรูปเนี่ยความยินดียินไล่เกิดที่จิตให้มีสติรู้สัตย์ท่านไม่ได้บอกว่าพิสูจทั้งหลายอย่าเห็นรูปพิสูจทั้งหลายเห็นรูปแล้วอย่าให้ยินดียินไล่พิสูจทั้งหลายเมื่อยินดียินไล่แล้วรีบละเสีย ไม่ได้สอนเลยนะท่านบอกขีสูทั้งหลายเมื่อตาเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันไมไ่บอกให้หละนะมันไม่ได้บอกว่าห้ามยินดียินร้ายไม่ได้บอกว่าห้ามเป็นรูปพวกเราหลายคนปฏิบัติเนี่ยชอบหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์หลวงพ่อพุทธเถรสอนบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เนี่ยเป็นช่องทางเข้ามาของกิเลสแต่ก็เป็นช่องทางให้เกิดปัญญาช่องเดียวกันปุสนก็ได้อาปุสนก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าหนีหักษะ นะบางคนคิดว่าถ้าไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินไม่ต้องได้กลิ่นไม่ต้องได้รสเนี่ยจะดนะีถ้ามันดีจริงนะคนตาบอดมองไม่เห็นเนะี่ยจะบรูุ้ธามเร็วคนหูหนวกเนี่ยตาบอดด้วยหูหนวกด้วยยิ่งบรรูุเร็วใหญนะ่ก็ลดไปสองอายตนะถ้าเป็นโรคเรือนด้วยนะไม่รู้สัมผัสทางกายแล้วนะไปลวกมือก็ไม่รู้เป็นโรคเรือนด้วยก็ยิ่งดีใหญ่หมดไปอายตนะหนึ่งนะถ้าทฤษฎีนี้เป็นจริงทฤษฎีหลีเลี่ยงทักษะเป็นจริงนี คนที่เป็นโลกเรือนแล้วก็ตาบอดหูหนวกจะเป็นรู้พระละหันจอดเพื่อนเลยเนะพราะลดผัดสะไปเยอะแล้วอีกพวกหนึ่งเป็นโลกเอ๋เป็นโลกเอ๋เ อ, อ๋ทั้งวันนะไม่คิดไม่นึกอะไรเ อ, อ๋เ อ, อ๋ไปเรื่อยๆนะพวกนี้เป็นผ้าละหันเรียบร้อยไป็นแะล้วไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นอย่าหนีผัดสนะชาวพุทธต้องต่อสู้ต้องเรียนรู้ความจริงเราต้องเรียนรู้ความจริงของชีวิตตัวเองนะของกายของใจเนีอย่าหนี้โลกอยู่กับโลกนี่แหละ ถ้าเรายังต้องอยู่ในเรือนในครอบครัวเราก็อยู่ในบ้านของเราออกมาอยู่ตามถนน am, เราก็มาปฏิบัตินะทาได้ทั้งนั้นเลยอยู่ในที่ทํางานก็ปฏิบัติได้อยู่ในถนนที่เราขับรถอยู่เนี้ยคนมาปาดหน้าเราเราก็โกรธเป็นธรรมเนียมนะต้องโกรธนะ <c oughs> จะมาเห็นใจเขาคงจะรีบพ่อคงใกล้ตายนะ <c oughs> อยาอย่างนี้มันก็แกล้งไปนิดนึงนะ ถ้ามันปาดหน้าปุ๊บ ม, มันจะรีบไปไหนวะมันต้องมีวะหน่อยต่อโมโหคนทั่วไปเนี่ยพอโกโรธจะไปดูคนที่เราโกโรธใช่ไหมนักปฏิบัติกลับข้างนิดเดียวพอโกโรธรู้ว่ากําลังโกโรธอยู่เติมลงไปนิดเดียวไม่ต้องไม่โกรธนะโกรธได้แต่โกรธแล้วรู้ว่าโกรธแต่ว่ามีศีลห้านะอยา่าควัปืนไปยิงเขานะโกรธอยู่ในใจอย่าให้ล้นออกมาทางกายทางวาจาคือศีลห้าไว้ก่อน ความโกรธถขุดขึ้นมาความโกรธ จ, จะเป็นครูของเราแล้วความโกรธ จ, จะสอนธรรมะเราคือเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็จะดับไปให้ดูอย่างนี้นะักปฏิบัตินะหรือเราเห็นนางงามเดินมามันก่อนหลวงพ่ออยู่ที่วัดนาะยกตัวอย่างนางงามไม่รู้หรอกว่านางสาวไทยอะไรเขาไปนะเราก็ไม่รู้จักในเราไม่เคยดูจากเขาหรอกเราไปยกตัวอย่างนางงามคนก็ไปดูใหญ่เนึ่องว่าหลวงพ่อชี้ให้ดูนางงาม บอกว่านุนน่มๆพอเห็นนางงามนะจิตมั น, อนชอบมันมีราคาเนี่ยคนทั่วๆไปพอมีราคาก็จะไปดูนางงามส่วนนักปฏิบัติพระจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะแถมเราจะดูหรือไม่ดูล่ะนั้นเหตุผลส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพระอยังโสดอยู่จะไปดูเขาถูกงพ่อก็ไม่ว่าอะไรนะแต่อย่าให้เป็นแบบเห่าหรือบินนะเพราะฉะนั้นจริงๆการปฏิบัติธรรมอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี้ อยู่ในชีวิตธรรมดาปึกไปด้วยอะไรแปลกปลอมขึ้นในใจเรานะตาหูจมูกลิน้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบไปกระทบแล้วจิตใจเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลค่อยตามรู้ไปและจิตใจที่ความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายนี่นะจะสอนธรรมะเราความสุข ก, ก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวนะกุศลก็ชั่วคราวอกุศลก็ชั่วคราวไม่ใช่ฝึกเพื่อจะให้ดีให้สุขให้สงบนะแต่ฝึกเพื่อให้เห็นความจริง สมธาธิวิปัสสนามันต่างกันตรงนี้แหละสมธาธิเนี่ยฝึกเอาสุขเอาสงบเอาดีจิตตุ้งต้านหรือพุทโธพุทโธหายใจหรือตุ้งต้านหนออะไรไปให้สงบได้สงบวิปัจจนาฝึกเอาความจริงไม่ให้ฝึกเอาความสุขความสงบหรือความดีเลยความดีบิ่นะแต่ว่าชั่วไม่ได้นะเพราะว่าเรามีสติอิเลชเกิดในใจเราเห็นแล้เพราะฉะนั้นเราชั่วไม่ได้สีนมันเกิดอัตโนมัติอยู่แล้ว แตเราฝึกให้เห็นความจริงทุกอย่างที่ผ่านมาให้จิตรู้นี้ของชั่วงเปล่าทั้งสิน้นสุข ก, ก็ช่วเปล่าทุกก็ช่วเปล่าดีก็ช่วเปล่าชั่วก็ช่วเปล่ า, ลาคนทั่วไปไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้พอมีความสุขก็อยากให้สุขนานๆแต่ความสุขจะสั้นไปเสมอรู้สึกไหมความสุขตั้งเกินไปแต่เวลามีความทุกข์นะคนทั่วไปก็อยากให้มันหายไปความทุกขนะ์น่ะยาวเกินไปเสมอนะยกเว้นพวกผิตใจผิดปกตินะ บางคนนก็คิดอะไรเศร้าๆแล้วแม้มันตาใจลึกๆสาวๆเป็นกันเยอะนะอถ้าไปคิดเรื่องเศร้าๆแล้วสวมวิญญาณนางเอก อ, ะะอ่ะะคิดให้มันเศร้าๆแล้วโอ้มีความสุขแส บ, บๆพัน ๆ, นๆนเนีเ่ยถ้าจิตใจเป็นยังไงรู้ลงไปนะรู้ลงไปรู้จากของจริงแล้วทุก อ, อย่างจะสอนธรรมะเราสอนรับเกิดแล้วก็ดับทั้งหมดเลยถ้าเมื่อใดปัญญามันแจ้งว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับเนี่ยถ้าโสตปัญมีปัญญาแค่นี้เองถ้าโสตปัญไม่ได้รู้อะไรเยอะนะ โสดาบันรู้แค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นดูให้เห็นความเกิดดับดูเข้าไปมากๆเราจะเห็นว่าตัวเราที่แท้จริงไม่มีมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกสุขรุ่งความจําได้หมายรู้กูุศหน้ากูศนไม่ใช่ตัวเรากระทั่งจิตที่เกิดที่ตาจิตที่เกิดที่หูจิตที่เกิดในความคิดในโลกของความคิดก็เกิดเกิดดับดับไม่ใช่ตัวเราอีก หลายคนมาฝึกต่อลงข้อพักหนึ่งนะก็มารายงานมีมาบ่อยๆนะมีแทบทุกวันว่าไม่ได้ปฏิบัติอะไรแต่ขันห้ามันกระจายออกไปเห็นเลยรูปก็ส่วนหนึ่งเวทนาสัญญาสังสารวิญญาณเป็นอีกส่วนหนึ่งตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีมมแล้เท้าดูจากของจริงนะจนจะทั้งเห็นว่าตัวเราไม่มีแต่ว่าอย่าไปนึกเอาเองนะว่าได้โสดาบันมันมีกระบวนการที่จิตตัดสินความรู้ เวลาจิตตัดสินความรู้ไม่ใช่วูบลงไปหมดสติแล้วก็บอกว่าได้ธรรมะนะอันนั้นหลายคนเข้าใจผิดแล้วนั่งภาวนาวูบบรรลุแล้วนะถ้าวูบครั้งนี้กีหนึ่งอ่าบรรลุสองปีได้ตะกิธาคาแล้วนะหรือวูบครั้งที่สามนะนาณาคาเนี่คาลักสัง น, ะนันไม่ใช่ของจริงนะเวลาที่จิตเกิดมรรคเกิดผลเนะี่ยมีจิตไม่ใช่ไม่มีจิต หลายคนคิดว่าตอนที่เกิดมากเกิดผลไม่มีจิตทิดว่าต้องไม่มีขันไม่มีขันจริงจริงขันมันก็ อ, อยู่ส่วนขันนั่นแหละแต่จิตมมีคุณภาพมากมันไปเห็นนิพพานเข้าแล้วจิตไม่ได้ยึดถือจิตไว้แล้วจิตกับ น, นิพพานเป็นคนละอันกันเวลาที่อริยมรรคเกิดมีจิตเรียกว่ามรรคจิตเวลาผลเกิดมีจิตเรียกว่าผลจิต ดังนั้นไม่ใช่หมดความรู้สึกนะหลายคนไปเอาสภาวะหมดความรู้สึกมาเป็นการบรรลุมรรคผลงั้นทุกวันนี้มีคนบรรลุมรรคผลมากมายในเฉพาะถ้าทํางานมาเหนื่อยเหนื่อยแล้วไปนั่งแป๊บเดียวก็บรรลุแล้วนะสิ่งสําคัญที่สุดมีสติสติทําหน้าที่อะไรสติทําหน้าที่ระลึกรู้กายระลึกรู้ใจรู้ไปเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกไม่ใช่ตัวเราเห็นความจริงเพื่ออะไร ก็จะล่าความเห็นผิดมากายกระใจเป็นตัวเราผู้ที่ล้าความเห็นผิดได้เป็นพระโสดาบันฝึกรู้ฝึกดูต่อไปอีกรู้ไปเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปเราจะเห็นเลยว่าถ้าจิตเข้าไปยึดอารมณ์จิตจะเป็นทุกข์จิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์นี่ปัญญาขั้นกลางนะปัญญาขั้นต้นเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปปัญญาขั้นกลางจะเห็นเลยถ้าจิตเกิดความอยากจิตเกิดความยึดจิตจะทุกข์ ถ้าจิตไม่มีความอยากจิตไม่มีความยึดจิตจะไม่ทุกข์อันนี้จิตมันจะตั้งมั่นทรงตัวเด่นดวงโดยไม่ต้องรักษาละมันไม่แส่สายออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายอีกต่อไปแล้วนะจะหาแต่ความสงบทางใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าอยู่สงบอยู่ที่จิตใจอยู่ที่ผู้รู้เนี่ยไม่มีความทุกข์ถ้ารั่ออกไปจากทารู้ผู้รู้ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายจะมีความทุกข์เนี่ยเพราะปัญญาระดับนี้เกิดเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเรียกว่าสมาธิบริบูรณ์ ผู้ที่มีศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลางนี้คือพระอนาคามีเห็นไหมเป็นเรื่องกายกับใจพระโสดาบันพระสกิทาคาร์เห็นว่ากายใจนี้เกิดเกิดดับดับไม่มีตัวเราที่แท้ จ, จริงพระอนาคามีก็รู้กายรู้ใจนี่แหละนะจนกระทั่งปล่อยวางการสแสวงหาความเพิดเพินทางตาหูจมูกลิ้นกายไปได้นะหรือแต่การหาความสงบสุขในใจนี่จะเพเลิดเพินอยู่ทางนี้ มีแต่เรื่องกายกับใจนะถัดจากนั้นก็ดูลงมาที่จิตที่ใจการปฏิบัติมันจะบีบตัวลงเข้ามาหาจิตหาใจนะเพราะมันไม่มีอะื่นจะให้ดูมันจะบีบมันจะตีวงเข้ามาดูใจตัวเองดูไปเรื่อยถ้าคนไหนไม่ได้ยินครูบาอาจารย์สอนมาหรือสติปัญญาไม่แก่รอบก็จะเป็นพอใจอยู่ที่ตัวจิตผู้รู้นี่แหละเพราะมันไม่ทุกข์จะติดอยู่ตรงนี้แต่ถ้าคนไหนเคยฟังครูบาอาจารย์สอนก็จะรู้ว่าตัวจิตผู้รู้นี่มันไม่เที่ยง มันเป็นพวกเป็นอนัตตายอีกชั้นหนึ่งมันจะวางมันจะวางได้หลวงพ่อเคยถามหลวงพ่อพุทนะหลวงพ่อพุทตอนนั้นเดือนกันยาปีสองหกหลวงพ่อไปหาหลวงพุธูนท่านสอนธรรมมาหลวงพ่อนะสอนสอนสอนเลยจนท่านหอบเลยท่านอายุเก้าสนะิบหกแก่มากแล้วไม่ไม่ค่อยสบายแล้วท่านหอบแท๊แกแทแทเลย หลวงพ่อบอกหลวงปู่หลวงปู่เลยแนละ้วผมจะกลับนะ้วไม่จะกลับเหลอยังกลับไม่ได้จําไว้นะท่านไม่ได้สอนมาให้เข้าใจนะท่านบอกให้จําไว้นะเพราะผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้นะจำไว้บอกครับผมจะจําเออจำไม่แล้วไปไปได้ล้วไปนอนอยู่สุดินคืนหนึ่งเช้ามาแวะโบราณเจริญข้าวพุธหลวงพ่อพุก็ถามไงนักปฏิบัติรอบนี้หลวงปู่สอนอะไร หลวงพ่อเวลาไปหาหลวงปู่ดูลิขับจะแวะหาหลวงพ่อพุททุกตั้งท่านจะถามถามนะท่านไม่รู้ชื่อหลวงพ่อหรอกนะท่านไม่เคยบอกท่านแต่ท่านจะเรียกว่านักปฏิบัตินักปฏิบัติหลวงปู่สอนอะไรบอกหลวงปู่สอนว่าพ่อผู้รู้ให้ทำลายผูรู้ถ้ายัางพ่อู้รู้แล้วยึดผูรู้นะไม่บริสุทธิ์จะแท้จริงหลวงพ่อพุทธได้ก็บอกเนี่ยท่านเพิง่งไปกราบหลวงปู่ ด, ดูลมา หลวงปู่บอกว่าเจ้าคูนการปฏิบัติจะยากอะไรพราะผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้เสร็จแล้วหลวงพ่อพุธท่านก็ฉเฉลยเพราะว่าทำลายผู้รู้เนี่ยแต่ว่าไม่ยึดถือจิตไม่ยึดถือจิตท่านก็เมตตานะคือหลวงพ่อเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดลูลนธรรมเนียมของครูบาอาจารย์มัตตาเนี่ยถ้าเราเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นะครูบาอาจารย์ผู้น้อยจะไม่เข้ามาก้าวไก่หลวงพ่อพุธท่านก็เมตตาท่านก็บอกเป็นอุบาย คุณกับหลวงพ่อมาทํากติกาตกลงกันนะใครทําลายผู้รู้ได้ก่อนให้มาบอกกันคือท่านจะแทนที่ท่านจะบอกว่าถ้าหลวงพ่อทําลายได้หลวงพ่อจะสอนคุณท่านไม่คูดเองเพราะว่าหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ ด, ดูลอาวุโสว่าท่านหลวงพ่อก็ปฏิบัติมาเรื่อยนะไม่เห็นมันจะทําลายได้สักทีเลยนะแต่ละวันมีแต่กิเลสพ่วมบัวนะกิเลสเยอะแยะเยอะยะไปหมดเลยวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่กิเลสเกิดเยอะแยะกุศลไว่ก็มีหรอก จิตวันหนึ่งวันหนึ่งนะกิเลสเกิดบ่อยภูตนเกิดน้อยนี่เป็นธรรมดาทุกคนเป็นอย่างนี้จนกระทั่งปีสี่สามฤาษีไปหาท่านคุยกับท่านเรื่องนี้นะปีสองหกนะกหลวงพ่อพุธปีสี่สามเนี่ยใกล้จะราออกจากงานจะมาบวชนะหลวงพ่อบวชปีสี่สี่ท่านมาเทศที่องค์การโทรศัพท์ใกล้ๆตรงหัวมุมแจ้งวัฒนะหัวมุมหลักสี่หลวงพ่อพุธท่านมาเทศประเทศเสร็จหลวงพ่อก็เข้าไปปราบท่าน บหลวงพ่อไม่เจอหลวงพ่อนานแะ้ร่วมปิดปีไม่เจอท่านเพท่านไม่ได้อยู่วัดท่านหลบไปอยู่ที่อื่นท่านเป็นมะเร็งหลวงพ่อผมไม่เจอหลวงพ่อนานนล้บอกหลวงพ่อจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกหลวงพ่อผมยังทำลายจิตผู้รู้ไม่ได้เลยคราวนี้ท่านแสดงธรรมะหน้าฝั่งนะอาหารมากเลยฝังแล้วเรารู้กลุ่มธรรมของท่านเลยท่านบอกว่าจิตผู้รู้เนี่ยเหมือนฟองไข่ เมื่อใจจิตคือลูกไก่มันเติบโตเต็มที่แล้วมันจะเจาะทํำลายเปลือกออกมาเองเพราะฉะนั้นจริงๆหน้าที่ของเราก็คือหัดรู้กายหัดรู้ใจไปเลยแต่ถ้าถึงขั้นสุดท้ายนะ้ำจะมารู้ตะลุมบอลอยู่ที่จิตที่ใจนี่เองเดยทังจิตใจมันมีปัญญาแก่รอบจริงๆเห็นว่าจิตนี้มันมันไม่ใช่ตัวเรามานานแล้วล่ะมันไม่เตี้ยงเลยเป็นตุ้กเป็นอนัตตาแต่มันแอบยึดไวนะ้ธรรมดาของจิตใจมนุษย์ทั้งหลายเนี่ย คล้ายๆเราไปยืมของเขามาใช้แต่เดิมเรายืมมานานเราก็นึกว่าเป็นของเราคือร่างกายจิตใจเนี่ยเรายืมสมบัติของโลกมาใช้เรายืมมานานจนกระทั้งเรารู้สึกว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเพราะเรามาหัดปฏิบัติได้ช่วงหนึ่งได้ระดับหนึ่งเราจะเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นของที่ยืมโลกเข้ามาใช้รู้ว่าเป็นของคนอื่นนะเป็นสมบัติคนอื่นแต่งงบไม่คืนยังยึดถือเอาไว้เพราะฉะนั้นการรู้ความจริง เป็นขั้นหนึ่งการทำลายความยึดถือเป็นอีกขั้นหนึ่งคนละขั้นกันถ้ารู้ว่ามันไม่ใช่เราแต่ว่าห่วงเอาไว้ก็คิดว่ามันเป็นของดีของมิเศษแต่ถ้าเราหัดดูกายหัดดูใจมากเข้ามากเข้าปัญญามันแจ้งขึ้มนมากายนี้ใจนี้ทุกข์ล้วนๆนะเพราะมันทุกข์ล้วนๆนี่มันตรง ก, กับที่พระพุทธเจ้าสอนพระเจ้าบอกขันห้าเป็นทุกข์พอรู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยจิตจะปล่อยขันหนะ้าจิตจะปล่อยวางความยึดถือจิตแล้ ถ้ายัางคิดว่ามันสุขบ้างทุกขบ์ขบ้างมันจะเอาสุขมันจะหนีทุกข์มีทางเลือกแต่ถ้าสติปัญญามันตั้นจนเดือบทั้งจนมุมนะเห็นว่ามีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยทั้งกายทั้งจิตทุกข์ล้วนๆมันจะวางของมันเองเนี่ยที่หลวงพ่อพุทธท่านบอกไว้เป็นอย่างนี้นะนี่หลวงพ่อกขาจำครูบาอาจารย์มาเล่าต่อในฐานะที่ว่าหลวงพ่อพุทธท่านมาสอนที่นี่ประจําแต่ก่อนนี้แท่านก็สั่งบว่าอยา่าไปทิ้งที่นี่นะ ผมควรแก่เวลาแล้วมั้งกี่โมงอะไรนะแก้าโมงสห้เงหรอวพ่อรู้สึกเพลเพนเลยน่าเชิญอ๋อคนนี้หวังดีบอกให้หลวงพ่อฉันน้ำก่อนกราบนาละมัสการ์พระอาจารย์ค่ะคืออยากจะเรียนถามนะคะว่าเวลาที่เราเผลอเผลอรู้สึก ไปเนีฮะรู้สึกตัวไปเนี่ยนะคะแล้วก็มีเหมือนกับว่ามีจิตแบบเหมือนมาเตือนว่าเราเผลอไปแล้วเนี่ยนถามไม่ทราบว่าอันนี้เป็นจิตปรุงแต่งหรือว่าเป็นอะไรถ้าสติตัวจริงเกิดเวลาเราเผลอไปนะแล้วสติเกิดเนี่ยมันจะรู้สึกขึ้นมาอ๋อเมื่อกี้เผลอไปแล้วเมื่อกี้เผลอนะไม่ใช่ตอนนี้เผลอน ะ, ะอืหรือว่า้าจิตเราโกรธแล้วพอจิตมันโกรธไปแล้วสติเกิดเนี่ยมันจะระลึกได้ว่าเมื่อกี้โกรธไปแล้ เมื่อกี้นะทำไมต้องเมื่อกี้เพการดูจิตต้องดูตามหลังเรียกว่าการตามรู้ตามรู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ดูลงปัจจุบันนะการดูจิตอ่ะดูจิตติดกับปัจจุบั น, นต้องติดกับปัจจุบันเขาเรียกว่าปัจจุบันสันส ต, ติต่อเ น, นื่องกับปัจจุบั น, นทําไมดูจิตดูลงปัจจุบันไม่ได้เพราะจิตนี้มีธรรมชาติเกิดดับรวดเร็วเร็วมากทีลักษณะมีลักษณะธรรมชาติของจิตธรรมดาของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียว พอมันไปนรู้อารมณ์นะเช่นมันไปนรู้อารมณ์ซึ่งเป็นกิเลสแล้วก็ราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นมาในขณะนั้นมันจะมารู้ราคะโทสะโมหะอะไรนี้ไม่ได้เพราะมันต้องไปรู้อารมณ์ที่ปิดยัว่วให้เกิดราคะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นการดูจิตเนี่ยดูตามหลังไม่ต้องกลัวว่าดูไม่ทันนะแต่ต้องหลังติดๆถ้าเมื่อวานโปรดวันนี้รู้นี่ใช้ไม่ได้นานไปอย่างนี้นานไป บางคนมีนะเมื่อวานไปโกรธกับเพื่อนไิดาเพื่อนมานะวันนี้กลับมาบ้านแล้วก็มาคิดทั้งคืนเลยแต่ไม่น่าโกรธเขาเลยนะตอนนั้นถ้าเรามีสติก็ดีนะเราจะได้ไม่เป็ด่าเขาโง่อีกละคือตอนนี้กําลังคลั่งครวนไม่มีสตินั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อวานโกรธเขาเกิดรื้อได้ว่าโกรธเราลึกได้ว่า ก, กํากลังเสียใจอยู่นี่ได้คะแนนแะ้ว น, นี้ใช้ได้ดูตามหลังไป แต่ว่าอย่าจงใจมากอย่างจงใจเยอะไปนิดหนึง่งถ้าจงใจเยอะไปใจมันจะไม่ปลอดโปร่งนะจะแข็งขึ้นแล้วเวลาที่เราไปเห็นสภาวะแล้วห้ามไปบังคับใหติดบังคับอยู่นิดหนึง่งเช่นพอรู้ว่าเผลอไปปุ๊บไปดึงคืนมาถ้าไปดึงคืนมานะมันจะแน่นแน่นไปดูตรงนี้นะรู้แล้วจบแค่รู้อย่าไปยุ่งกับมันกลบนมัสการค่ะ ช่วงนี้ปฏิบัติจะมีกับกังวลว่าเพ่งเกินไปหรือก็เผลอเกินไปหรือเปล่าคะกําลังหลงอยู่จิตใจกระวนกระวายดูออกไหมจิตใจกําลังตื่นเต้นดูออกไหมดูลงปัจจุบันไปจิตใจขนาดนี้ยบังคับไว้ดูออกไหมดูลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะถ้าอะไรที่เรารู้ตัวถูกต้องใจเนี่้จะเป็นกุศลที่แท้จริง จิตใจที่ปิดกุศลไม่เจือด้วยกิเลสจิตที่เป็นกุศลมีความรู้ตื่นเบิกบานสงบตาสว่างจิตใจที่เป็นกุศลนะนุ่มนวลอ่อนโยนเบาคล่องแคล่วว่องไว้ไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่สึมไม่ชื้นฉะนั้นเมื่อเกิดสภาวะใดๆแล้วสงสัยว่ามันเป็นอะไรแน่เมื่อกี้เป็นอะไรแน่ดูสังเกตที่ใจเราแต่เราเป็นยังไงแข็งแ ข, ข็งไหมนักหนั ก, หนกไหมถ้าหนักหนักแน่นๆแข็งแข็งสึมสึมชื้ื้เมื่อกี้ผิดแน่นอน แต่ที่แน่ๆก็คือตอนนี้กําลังกิดอยู่เพราะมัวไปทบทวนถึงอารมณ์ในอดีตนึกออกไหมเพราะงั้นถ้าเราเกิดภาวนาไปช่วงหนึ่งเราเกิดสงสัยเอ๊ะที่ทํำตะกี้ถูกหรือไม่ถูกนะถ้าเรารู้ว่ากําลังสงสัยอยู่อดีตช่างมันเทิงเป็นอดีต จ, จบไปนานแล้วรู้ท่านปัจจุบันว่ากําลังสงสัยอยู่ได้คะแนนวิเศษที่สุดเลยให้การปฏิบัติรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆติดบังคับเยอะไปนิดนึงตอนเนี้ยลดการบังคับลง อย่าบังคับไม่เลิกรู้สึกหมรู้สึกไหมจิตใจไม่ปลอดโปร่งอย่าเพ่งใส่มันสิลืมเรื่องปฏิบัติได้ไหมนะกาบเรียนเรียนถามว่าตอนปฏิบัตินะครับคำบริกรรมมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนคำบริกรรมเป็นเป็นแทกติกนะเป็นกล ว, รรวิธีเฉพาะตัวครูบาอาจารย์บางองค์เนี่ยท่านให้บริกรรมไนดะ้แต่ต้นจะจบเลย ขนาดเราดูเข้ามาจนถึงจิตถึงใจแล้วนะท่านเนี่ยให้บริกรรมกำกับครูบาอาจารย์บางองค์เขาบอกไม่ต้องบริกรรมมันดูที่ตัวเราเองว่าทำอะไรแล้วสติเกิดได้ดีเอานั้นแหละดูตัวเราเองนะการปฏิบัติเนี่ยทางใครทางมันไม่มีหลักสูตรสำเร็จรูปงั้นถ้าใครไปเรียนกับหลวงพ่อที่วัดเรียนหลายหลายครั้งจะพบว่าหลวงพ่อสอนอะไรก็ไม่รู้จริงๆก็คือไม่ได้สอนให้ทำอะไรให้มีสติพอรู้แบบ ส่วนเคยทํากรรมฐานอะไรก็ทำอันนั้นแหละนี้เบื้องต้นจะบริกรรมบริกรรมเพื่ออะไรต้องรู้ก่อนถ้าจะบริกรรมถ้าบริกรรมเพื่อให้จิตนิ่งให้จิตสงบให้จิตดีแล้วก็เป็นสมถะเช่นความโกรธเกิดขึ้นบริกรรมพุทโธพุทโธหรือโกรธเนอะโกรธนอโดยมุ่งหวังให้หายโกรธอันนี้สมถะถ้าบริกรรมเพื่อเตือนตัวเองนะเช่นใจมันโกรธขึ้นมาพุทโธพุทโธพุทโธคือใจนั่นเอง เป็นการเตือนตัวเองให้คายสงเกตใจอย่างนี้ก็พอจะดูได้แต่ยังไม่ใช่วิปัสนาจริงหรือความโกรธเกิดขึ้นบริกรรมโกรธน้อโกรธนอนะเป็นการเตือนตัวเองว่าเมื่อกี้ความโกรธเกิดขึ้นอย่างนี้ก็พอทนได้แต่ถ้าถ้าจะขึ้นวิปัสนาแท้มันจะไม่มีคําพูดนะแต่ว่าตอนแรกจะบริกรรมก่อนก็ได้บริกรรมอะไรของคุณนะ่ะก็กด โกรธหนออะไรก็ได้โกรธหนอต้องอย่างนี้สพราว่าแต่มันโกรธขึ้นมาขณะจิตที่โกรธเนี่ยนะจิตเนะกุศลขณะที่รู้ว่าโกรธจิตเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วถ้าโกรธหนอทําเพื่ออะไรเอองพ่อถามนิดหนึงวัตถุประสงที่บริกรรมต้องการอะไรถ้าความต้องการที่ต่างกันเนี่ยมันจะมีผลที่ต่างกันต้องต้องการให้เรารู้ว่าเราโกรธ ต้องการหัดรู้สภาวะก็ใช้ได้แต่ว่าพอฝึกถึงจุดหนึ่งมันจะไม่บริกรรมแล้วล่ะถ้าสติตัวจริงเกิดนะมันเหนือคําพูดเจ้าคุณนอไ้เกตได้ยินชื่อไหมเด็กส่วนใหญ่เกิดไม่ทันท่านอะ่ะท่านเจ้าคุณนอท่านเคยสอนบอกของจริงนิ่งเป็นใบ้ของพูดได้ไม่ใช่ของจริงเะฉนั้นสัตวบปใดที่ใจเรายังคิดนึกกรุงแต่งได้อยู่ยังไม่ใช่ตัวแท้ๆของมัน แต่ว่าเบื้องต้นจะบริกรรมก่อนก็ได้แต่ระวังอั น, นึงอย่าให้จิตมันนิ่งอย่าให้มันเฉยไม่ใช่บริกรรมให้หายโกรธนะบริกรรมเพื่อหัดรู้ว่าเมื่อกี้สภาวะของความโกรธเกิดขึ้นแบบฝึกไปเรื่อยๆเราจะเห็นในการบริกรรมเนี่เป็นส่วนเกินเป็นภาระไม่บริกรรมมันก็รู้นะทําไมต้องรู้ด้วยการบริกรรมความจริงคุณรู้ตั้งแต่ยังไม่บริกรรมละ เราที่คุณตรวจขึ้นมาแล้วคุณรู้ว่าโกรธเนี่ยคุณรู้เรียบร้อยแล้วแทนที่คุณจะบริกรรมนะคุณไปดูที่ความโกรธนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงคุณดูเข้าไปตรงนี้เลยถ้าเมื่อไหรคุณหันไปบริกรรมแทนการรู้เนี่ยจิตจะตกอย่างวิปัสสนาจิตที่รู้กับจิตที่คิดเนี่ยจิตคนละดวงกันนะาะอารมณ์มันคนละอารมณ์กันจิตที่คิดเนี่ยอารมณ์เป็นอารมณ์บัญญัติจิตที่รู้เป็นอารมณ์ปรมัต ฉะนั้นในขณะที่ความโกรธเกิดขึ้นตรงนี้เป็นอักูศลขณะที่รู้ว่าโกรธตรงนี้แหละได้ปฏิบัติละหน้าที่ของเราก็จะเห็นว่าความโกรธนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับนี่เห็นความเกิดดับของเขาไม่ได้ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยดูจากของจริงนะแต่ถ้าความโกรธเกิดขึ้นเป็นอักูศนนะรู้ว่าโกรธเป็นกุศนหังจากนั้นแทนที่จะไปดูความเกิดดับของเขาตามที่เขาเป็นไปบริกรรมเก็แทน แต่ที่เราจะไปรู้สภาวะรูปนามเราก็ไปรู้บัญญัตแิแทนจิตมันคนละดวงกันนะตรงที่บริกรรมรู้บัญญัติขึ้นมาจะเป็นสมถะเพราะฉะนั้นบริกรรมไปเรื่อยความปวดจะหายไปความโลภความกลัวความอินฉาอะไรเนะี่ยรัากำับบริกรรมไปนะหายหมดเลยแต่หายแบบสมถะมันจิตคนละชนิดกันจิตกับใจนี่ตัวเดียวกันไหมคะ ในชั้นนี้เราเรียกว่าอันเดียวกันไปก่นคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ธรรมชาติที่รู้ว่ามันมีจิตมีใจมีวิญญาณมีตัววิญญาณจริงวิญญาณก็เป็นจิตชนิดหนึ่งเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายเกิดทางใจจิตส่วนใหญ่เป็นมโนวิญญาณพูดเรายุ่งนะส่วนตัวใจจริงๆมโนธาตุจริงๆฟ้องงงหนักใหญ่เป็นอาวัชนจิต ตามปฏิจฉันนะจิตเลยฝั่งแล้วเปลี่ยนหัวตอนนี้เอาไปนันเดียวกันไปก็ได้ก็คือสังเกตไหมมีใจที่เป็นคนรู้หรือมีจิตที่เป็นผู้รู้สิ่งอื่นๆเป็นสิ่งที่ถูกรู้ตึกให้มันมีคนหนึ่งเป็นคนรู้อันอื่นเป็นสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นอย่างเราเห็นร่างกายหายใจเราเห็นเลยไอ้ตัวนี้มันหายใจใจของเราเป็นคนดูร่างกายหายใจจิตเป็นคนดู ดูท้องของยุบก็เห็นเลยท้องมันพองท้องมันยุบนะ น, นี่รูปมันพองรูปมันรูปมันยุบใจเป็นคนดูนี่หัดไปให้มันมีจิตกับอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้เข้าสิ่งที่ถูกรู้แยกสองงานนะหัดแยกไปเรื่อยเรอยอันนี้ตอนเฉพาะตัวนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะไม่ต้องไปหัดแยกน ะ, ะเวลาเรียนธรรมะพอเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วมันสับสนธรรมะอันนี้มันเหมาะกับคนคนนี้ไม่ได้เหมาะกับคนอื่น คนทั่วไปนะหัดดูความรู้สึกในชีวิตธรรมดาไปของคุณมันติดสมัมปทเพราะฉะนั้นไปดูให้มันมีตัวรู้ขึ้นมาหนึ่งดูออกไหมมีคนหนึ่งเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนนั่งถูกดูนี่หัดแยกไปอย่างนี้นแยกไปด้วย อ, อยจะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราต่อไปความรู้สึกสุขทุกข์ก็เป็นของถูกรู้ถูกดูความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเอง เาไปกูโหนอ่บุูโซนเช่โลกหลอดหลงอะไรเกิดขึ้นก็ถูกรู้ถูก ด, ดูไม่ใช่ตัวเราอีกจนสุดท้ายเราจะเห็นจิตเกิดดับทางทางวารทั้งหกเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปดูจิตวิ่งไปฟังจิตวิ่งไปคิดตัวจิตเองก็เป็นของถูกรู้ถูก ด, ดูได้นะมัไม่ใช่ตัวเราอีกอันนี้เฉพาะตัวนะไม่เกี่ยวกับตัวอื่นนะเดี๋ยวเอาไปลองทําแล้วยิ่งสับสนหนักกว่ากาันตานรัชการครับคือจะเรียนถามพระอาจารย์ว่า สติคือความระลึกได้เราก็ฝึกโดยการตามรู้กายใจให้จําสภาวะได้ใช่กับตัวสัญญาสติกับสัญญาเป็นตัวเดียวก็เกี่ยวข้องอยูครับอาศัยกันอาศัยกันสัญญาเป็นตัวไปรู้แล้วก็ไปทําความเข้าใจไปหมายว่าตัวนี้คือนี่ตัวนี้คือนี่แต่สติจริงๆพอถึงขั้นละเอียดนะมันแค่เป็นคำันสัญญาไม่รู้อะไรนะแค่เห็นสิ่งบางสิ่งเกิดแล้วก็สิ่งนั้นดับเกิดระดับ แต่ว่าการทํามิปัฏฐานานี่ยต้องอาศัยสัญญาอาศัยสัญญาแต่ไม่ใช่การคิดนะสัญญาไม่ได้คิดสัญญาเป็นการที่จิตจําจําอารมณ์ได้แต่ว่าตัวสติเนี่ยพอจิตมันจําอารมณ์ได้แล้วก็สติมันจะเกิดง่ายมันมีสัพพะพ่ออยู่คำหนึ่งเหตุใกล้ให้เกิดสติที่หลวงพ่อแปลบอกว่าสติญญมีการจําสภาวะธรรมได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให้เกิดภาษาบาลีใช้คําว่าทีละสัญญา คิดร้างสัญญาจําได้อย่างแม่นยําจําได้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราต้องดูบ่อยๆเราถึงจําได้อย่าไปเพ่งนะถ้าเพ่งแล้วมันก็คือๆไม่มีอะไรให้ดูดูความเปลี่ยนแปลงไปเอาเรื่องครับเพราะฉะการฝึกนี้ก็เหมือนกับเราตอนแรกนี่จิตเราก็เหมือนกับเด็กใช่ไหยครับเราเราสั่งให้เขาทําก่อนจนกระทั่งเขาเขาสามารถทําของเขาเองได้ใช่แล้วเราช่เตพิว่าเด็กคนแรกไม่ใช่ตัวเราหรอก ก็เด็กคนนั้นก็คือเด็กคนนั้นเราต่างมันไม่ได้จริงหรอกเนี mm ่ย hmm. สุดท้ายจะเห็นอันนี้นะตัวเราไม่มี mm hmm. ค่ะมณฑสการหลวงพ่อนะคะค่ะคือคือรู้สึกว่าสมาธิดีตอนขับรถนะคะว่ขับรถที่ไรสมาธิจะดีและจะรู้ทันอารมณ์ตัวเองได้ง่ายอะคะ่ะแต่ทีนี้เวลาพอ mm hmm. พอรู้ทันเนี่ยมันจะหยุดคิดทันทีเลยนะคะ mm hmm. ไม่สามารถให้คิดต่อไปได้เหมือนกับว่าไปหยุดมันเลยะคะ่ะ mm hmm. ทีนี้แล้วเวลามันดีแล้วมัน ตัวมันจะแน่นอยู่ตรงหน้าออกตรงนี้ด้วยเพราะปฏิบัติให้ลมอยู่ตรงนี้นะคะ <Ừ. S 2> มันผิดใช่ไหมคะคืออยงี้ตรงที่พอคิดแล้ว ร, รู้ว่าคิดพอรู้ว่าคิดแล้วความคิดจับไปอันนี้เป็นปกติเป็นเรื่องปกตินะแต่ทําไมมันแน่นที่แน่นเพราะว่าเราไปบังคับตัวเองหลังจากการรู้นะ่ะถัดมาเราบังคับตัวเองเช่นเรากลัวจะเผลอไปใหม่เราก็อัดเอาไว้อย่าแน่น หรือเราเห็นว่าจิตเราหลงไปจิตหลงทางตาเช่นหลงไปดูคนนู้น่หลงไปพอเรารู้ว่าหลงไปนั้นเราไปดึงมคืนมาใช่อย่างงี้แน่ น, น, นอต่ว่าตรงนี้ผิดไหมเออตรงนี้ไม่ถูกหรอกนะแต่ตรงที่คิดอยู่เรารู้ว่าคิดความคิดดับไป น, นี่ผิดไหมอันนี้ปกติเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมน ะ, จะเจริญสติกับเวลาทํางานที่ต้องคิดเนี่ยต้องแยกกันนะต้องแยกให้รู้หน้าที่ของตัวเองเวลานี้เป็นเวลาทํางานที่ต้องคิด ไม่ใช่เวลาจเจริญสตินะจดจอ่ออยู่กับงานเอาสติไปไว้ที่งานเอาสมาธิไปไว้กับ ง, งานจดจอ่อลงไปแต่ว่าพอทํางานไปนสักพักหนึ่งขี้เกียจขี้เกียจในสติเป็นจ่าหรือเก่งควขี้เกียจจะดับไปไม่ใช่ไปดูความคิดนะเดี๋ยวเขาไล่ออกจากงานไม่ใช่ไดมีคนหนึ่งนะมาเล่าให้หลวงพออ่อฟังผมปฏิบัติทั้งวันเลยครับขยนัน ผมมีหน้าที่เขียนซอฟต์แวร์นิ้วสัมผัสคีย์บอร์ด keyboard, ผมก็รู้บอกเอเดี๋ยวก็ไล่ออกมัวแต่รู้มัคิดไม่ได้รู้แต่คิดน่ะสัตว์รูกันนะนี่ความคิดมันไม่ใช่ของแท้ความคิดมันคิดถูกบ้างคิดผิดบ้างเราะงั้นเราเลยเอาความคิดมาทำนิพัติสนามไม่ได้ต้องเอารู้แต่รู้แต่คิดก็ลานกันเนี่ยคือคําตอบที่คุณข้างหลังถามไปเทยอะว่าเราบริกรรมบริกรรมก็คือคิดได้เลยคนละตัวกัน แต่เบื้องต้นจะทําอย่างนั้นก่อนก็ไม่เปไ็นไรนะแต่อย่าติดนะหลายคนกําหนดมากๆเปลืองใเป็นเพ่งสังเกตไหมพอเพ่งมากๆนะจะเพ่งอะไรเพ่งกายเพ่งใจพวกที่เพ่งกายนะเช่นมือจะขยับเนี่ยนิ้วมันสั่นมันไหวแต่ละนิ้วไม่เท่ากันนะจะรู้สึกหมดเลยไหวคลิกๆๆในรู้สึกหมดเลยจะหยิบอะไรทีหนึ่งรู้สึกแลี่ยจิตมันไปเพ่งใส่มือมันเพ่งใส่มือมันไม่มีการแยกรูปแยกนามนะ มันไม่ใช่สักว่าเห็นสักว่ารู้คําว่าสักว่าหายไปเลยนะกลายเป็นการเพ่งรูปเดียวมันต้องระวังนิดหนึงหรือดูจิตดูใจแล้วไปเพ่งจิตก็ผิดนะไม่ใช่ว่าคนไหนดูจิตแล้วจะถูกตลอดนะคนดูจิตแล้วถูกก็มีน้อยนะคนดูกายแล้วถูกก็มีน้อยเหมือนเหมือนกันแหละดูกายก็ชอบไปเพ่งกายดูจิตก็ไปเพ่งจิตวิธีเพ่งจิตก็คือปเป็นเฝ้าดูรอดูซิว่าเมื่อไหร่จะมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นไปดักดูเป็นรอดู ดักดูรอดูใช้ไม่ได้นะต้องให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้หน้าที่เราทำตัวสบายๆเหมือนเด็กดูเด็กข้างบ้านมันตนไม่ใช่ลูกเราไม่ต้องไปจับตาดูมากนานๆชำเรืองมันทีหนึงเดี๋ยวมันมันได้ยินเสียงมันร้องไห้จ้าด้วยมันก็อหันไปดูอ๋อไปถูกหมากัดมาแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่ไปนั่งเข้านี่นั่งเข้าจิตนะนั่งเข้าอย่างเงี้ยนะ ตั้งทั้งวันเลยนะหรือจ้องอยู่ที่กลางหน้าอกนี่อจ้องเอาจ้องเอาไม่ใช่นะถ้าทําอย่างนั้นก็กลายเป็นการเที่งนั่นเองรู้กับเที่งไม่เหมือนกันน้ามาสการเจ้าค่ะมีความรู้สึกว่าจะประคองจิตเอาไว้ไม่ให้เป็นอกุศล น, นะเจ้าค่ะถูกต้องเลยนะไม่ต้องแก้ไขหรือเจ้าค่ะไม่ต้องแก้ไขแต่ให้รู้ว่าประคองเอาไว้เจ้าค่ะเราประคองเของอากลัวอกุศลนึกออกไหมแต่การที่เราอยากประคองคือโลภะ กลัวอกุศลนั่นคือโภวกับเพราะฉะการตัดทองเนี่ยทําด้วยด้วยกิเลสนั่นแหละกลัวกิเลสจกนกระทั่งเกิดกิเลสไม่ออกไหมยอย่ากลัวมันมากถ้าเรากลัวศัตรูนะเรายิ่งแย่นะอย่ากลัวมันเราอยู่กับกิเลสมานานแล้วอยู่อีกนิดหน่อยไม่เป็นไรเอามันมาเรียนอ่ะคือปกติมันจะเป็นความรู้สึกเศร้าขึ้นมาเน่ยเจ้าค่ะแล้วเราก็เศ้าก็าเป็นกิเลสตัวหนึ่งคือโทสะเจ้าค่ะโทสะ แล้วก็ดูมันแหะเจ้าค่ะให้รู้เฉยๆรู้อย่างสบายใจดูเอไอคนนี้มันมีกิเลสนะไม่ใช่เราดูมีกิเลส น, นะดูเหมือนเห็นคนอื่นมันมีกิเลสแต่ถ้าดู ถ, าถูกตัวภาวะก็จะรู้สึกว่ากิเลสมันเกิดขึ้นมาไม่มีคนไม่มีสัตว์อะไรหรอกแต่เบื้องต้นจะรู้สึกก่อนก็ได้นะเห็นเหมือนเห็นคนอื่นมีกิเลสอนะไม่ใช่เรามีกิเลสเอาตัวออกมาอยู่ต่างหากสะกก่อนการปฏิบัติเนี่ยเราต้องดูอยู่ แบบไม่มีส่วนได้เสียดูอยู่ห่างๆดูเหมือนคนดูบอลนนะ่ะนักดูบอลเนี่ยจะต้องไม่ไปยืนอยู่กลางสนามพุดบอลใช่ไหมเดี๋ยวถูกรวมเท้านะเรานักปฏิบัติก็เหมือนกันอย่าถาล่มลงไปจ้องใส่กายใส่จิตดูอยู่ข้างเวทีเหมือนดูละครอยู่ข้างเวทีดูบอลอยู่ข้างสนามดูแบบไม่มีส่วนได้เสียดูอยู่ห่างๆ เม่ต้องไปช่วยเ้าทําอะไรนะไม่ใช่เขาเตะ ม, มาฝั่งนี้โดนตะกรุกส่งให้อีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่หน้าที่หน้าที่ของผู้ทำ ม, มิตรศาสนาเนี่ยรู้แบบรู้แบบไม่มีส่วนได้เสียเพราะฉะนั้นกิเลสเกิดขึ้นรู้ว่ามีกิเลสอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากปฏิบัติก็กิเลเกิดบ่อยๆมันเศร้าใจรู้ว่าเศร้าใจอยจะเห็นเลยนี่จิตทํางานมาทั้งหลายแบบแล้วเห็นไหมจิตไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้นะอจะเห็นแต่ความไม่เที่ยง ไม่ได้ปฏิบัติเอาสงบเอาดีเอาสุขนะปฏิบัติเอาความจริงให้เห็นในทุกอย่างทุกเรื่อกราบนม่สการเจ้าค่ะโยมเกิดอาการปวดศีรษะอยู่นึงโดยเฉพาะเวลานั่งฟังทางหรือแม้กระทั่งตอนนี้คือดูทีวีหรือทําอะไรที่อยู่อยู่นิ่งๆนะเจ้าคะอยากกราบริษฐามท่านว่าเกิดจากอาการเพ่งจ้องหรือไม่แล้วมันปื๊ดเพ่งมาแรงแตก ตึกบังคับตัวเองอะบังคับยะเป็นเครียดนะวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ต้องใจถึงนะเลิกปฏิบัติแต่ได้ไหม <c oughs> ก็ถ้ามันปฏิบัติผิดนะที่ไปปฏิบัติมันทําไมล้มกระดานนะตั้งต้นใหมา่ลืมเรื่องปฏิบัติไปแล้วก็ดูทีวีไปมันตลกนะหัวล้อมันไปเลยขำแล้วก็รู้ว่าใจเป็นขำเนี่ยหัดเริ่มต้นใหมา่ล้มกระดานไปหลวพ่อเคยแก้ คนติดสถมถะอย่างแรงๆ แ, แบบติดจนแทบพิการเลยวิธีหาทางแก้สาระพันวิธีเลยแก้ยากที่ง่ายที่สุดนราเลิกมันไปเลยเราเริ่มต้นใหม่คล้ายๆมากตานี้เล่นยากแล้วเล่นยากเราเล่นใหม่ยังยงจะเริ่มเริ่มต้นยังไงนะจ๊ะคุณยังเริ่มปฏิบัติได้ไหมร้องเพลงเป็นไหมเป็นจ้ะ <c oughs> กลับบ้านนะร้องเพลงเป็นเพลงหนึ่งก่อน ให้คนที่บ้านตกใจไปเลยอย่าทําตัวให้เครียดนักปฏิบัติต้องร่าเริงนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนหนึ่งไปเป้าพระพุทธเจ้าผมข้อจำไม่ได้ก็ใส่แล้วไปทูลพระพุทธเจ้าบอกหน้าสจรรักรภิกษุสาวกของพระองค์เนยสงบแต่ร่าเริงเขาไม่ได้ชมนะว่าภิกษุของทกพระองค์สงบแต่เคร่งเครียดนะสงบแต่ร่าเริงนะ ว่าอะไรเพจิตจที่เป็นภูมนะิผลมันมีความล้าเลยจิตที่เครียดมันคืออัปุศ ล, ลจิตนี่ทำไมมันเกิดจิตที่เครียดได้เพราะเราเกิดโลภะกว่าเราอยากปฏิบัติพอเราคิดถึงคําว่าปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติภาษาไทยแต่ว่าทำสิ่งที่เราทําไม่มีอะไรมากกว่าการบังคับตัวเองไม่บังคับกายก็บังคับใจเนี่ยธรรมชาติของนัาปฏิบัติช่บบังคับควาจริงปฏิบัตินะแปลว่า ถึงเฉพาะเนี่ยท่านอาจารย์มหาปรจวงท่านแปลให้ฟังปฏิเวชเฉพาะเนะปฏิท่านใส่คำพิธาตัวด้วยศรัทธแต่ว่าถึงคือเข้าไปรู้เฉพาะหน้าเข้าไปอย่างที่มันเป็นนี้เราไปคิดว่าปฏิบัติคือการบังคับกายบังคับใจจะทําให้มันเครียดขึ้นมาความจริงก็คืออารมณ์อะไรเกิดขึ้นในจิตในใจคอยรู้ไปเรื่อยๆรู้เล่นๆรู้บ้างเฉลอบบ้างอย่าต้องรู้ตลอดนะรู้ตลอดเครียด เราเปฏิบัติเพื่อควนทุงไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้ทุกข์มากขึ้นนะมีหลายคนนะเออขอถแถลงการหน่อยนะให้ดูทันสมัยหน่อยมีถแถลงการ <c oughs> คนไหนนะ้าญาติพี่น้องไปภาวนาจนเพีย้ยนแะเนี่ยไม่ต้องพามาให้หลวงพ่อแก้นะ <c oughs> แก้ไม่ไหวหน้ามันเยอะเอาคนที่ยังไม่เพียนะ้ยนอ่ะคนที่เพิ่งหัดนะนะเพิ่งหัดมาฟังให้รู้เรื่องแล้วมันจะได้ไม่เพีย้ยน หลายคนนะเวลาเดินมหาหลข้อเดินมาทา้าอย่นียมันไม่ไหวแล้วนะหมอที่ศรีสัญญาเขาเขียนรีพอร์ตไว้อันนไปอ่านอ่านแล้วตลดใจนะบอกเขาไม่ชอบพวกนักปฏิบัติหรอกทําทำให้เพิ่มปริมาณคนบ้าทำไมมันบ้าได้ใทั้งที่ฝึกสติสติกับบ้ามันน่าจะกลับข้างกันนะเพราะไอ้สิ่งที่ฝึกไม่ใช่สติสติ สิ่งที่ฝึกๆบังคับตัวเองจนแต่ทั้งเครียดบังคับกายบังคับใจฝึกจนเครียดเขายอมเหลือๆไปบ้างนะรู้สึกไหมตอนนี้สบายกว่าเมื่อกี้เออเนี่ยรู้สึกไหมเริ่มไม่สบายอีกแล้วเริ่มอัดเริ่มอัดกลับเข้าไปนะดูออกไหมอัดเข้ามางี้นะเพื่อให้ดูเป็นนักปฏิบัตินะไม่เอานะใจตึงๆนะเจอหลวงพ่อก้าหารโยมเป็นทิ้งไปเลย คือถ้าเราปฏิบัติแล้วมันผิดธรรมดานะเช่นบางคนปฏิบัติแล้วก็เห็นอะไรต่ออะไรมั่วตัวไปหมดนะหยุดเถะเถอะทําผิดแล้วอยาขยันเรียนให้รู้เรื่องนะฟังให้รู้เรื่องฟังไปฟังหลวงพ่อเนี่ยต้องฟังประมาณสองสามครั้งผู้ปียมปีแต่ปียำปีนะฟังไปฟังสองครั้งสามครั้งแล้วไม่คิดมากนะจะรู้เรื่องถ้าฟังแล้วก็คิด เอ๊ะทำไมองคนี้ว่าอย่างโน้อนองคโน้นว่ามีพ่อขององคโน้นว่าอย่างโน้นต่อบไปอีก น, นะ้วเราฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องหรอกสังเกตไหมตอนนี้หลวงพ่อแกล้งพูดให้ตลกใจของเราคลายดูออกไหมใจเราคลายออกสังเกตไหมตอนนี้ใจเริ่มนิ่งอีกแล้วดูออกไหมเนี่ยหัดดูไปอย่างเนี้ยดูจัดของจริงๆนะถึงวันหนึ่งเราจะเห็นเลยจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทํางานของมั น, เ, นเองได้สารพัดเลย เอาคุณมวลส่งกันบ้านไหมไรายนี้หลวงพ่อถามเพราะรู้ว่าไม่กล้าพูดเ้าคุณพุธมีอะไรไหมอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำนะครับคือบางทีอยู่เฉยๆแล้วเหมือนเนี่ยมันจะไปรู้ลมหายใจอย่างเงี้ยฮะไม่เป็นไรอยู่เฉยๆจิตไปรู้ลมหายใจรู้ว่าจิตไปรู้ลมหายใจจิตหนีไปจากลมหายใจรู้ว่าจิตหนีไปจากลมหายใจอันนี้คือสภาวะอะไรอะครับสภาวะติดสมถะสิ ติดธรรมทานคืออยู่ๆ ม, มันวิ่งเข้าไปหายเองใช่ไหมครับเอ้มันเคยชินเคยชินที่มาเกาะที่เนี่ยถึงเวลาก็ไปเกาะแต่ไม่เสียหายนะอถ้าเดินปัญญาต่อได้หลวงพ่อเองฝึกอนาปนสติตั้งแต่เจ็ดปุ่บนะฝึกอยู่ยี่สิบสองปีทำได้แต่สมถะเพราะว่าขึ้นมีปัสนาไม่เป็นมันไม่อยากให้เราเสียเวลาอย่างหลวงพ่อเพราะฉะนั้นสมมติว่าใจของเราไหลไปอยู่ที่ลมเรารู้ว่าไปที่ลมน่ะใจหนีไปที่อื่นรู้ว่าหนีไปที่อื่น ใจมีปีติรู้ว่ามีปีติเป็นสุขรู้ว่าสุขนะใจพุ่งต้านรู้ว่าพุ่งต้านหายใจไปเราก็รู้ใจไปในที่สุดลมมันจะหายไปเหลือแต่ใจอันเดียวก็เลยเรียกลมหายใจอะไรนะเออหลงไปคิดเอให้รู้ว่าหลงไปคิดสิเห็นไหมจิตนี้เป็นของห้ามไม่ได้จิตเดค็ดคิดมันก็หลงไปคิดห้ามมันไม่ได้ไม่ได้ฝึงห้ามนะคนโบราณเราเก่งนะ ปรรยาศอะไรแต่ละคำเนี่ยมันสะท้อนว่าบรรพบรุษคนไทยเนี่ยเชี่ยวชาญในการดูจิตมากเลยเรามีศัพท์ที่เกี่ยวกับจิตใจเยอะแยะเลยคำว่าอึดอัดน่ยรู้สึกไหมเออมันอึดขึ้นมานะเพราะอะไรเพราะไปอัดมันไวเอาดูนะดูสภาวะจริงๆดูเข้าไปเถอะเพราะฉะนั้นอยู่ๆจิตวิ่งไปหาลมหายใจก็เป็นเรื่องธรรมดาจิตเคยไปจิตก็ไปไม่ห้ามมัน อะไรยิบระยะรู้อะไรยิบระยะคือความปรุงแต่งเนี่ยพอมันละเอียดเข้าไปนะมันจะไหวยิบยับยิบยับอยู่ข้างในใช่ไหมไหวยิบยับยิบยับอยู่ข้างในหลวพ่อก็เป็นแต่ตอนน้ำมันไหวอยู่ต้องเดือนไหวยิบยับยิบยบเดือนกว่าจะเหนื่อยนะเพราะมันมีอย่างอื่นเลยมีแต่ยิบยับยิบยับวิ่งไปหาหลวงพ่อพุธหนึ่งค่ะแล้วถ้าตื่นนอนมาแล้วก็เห็นเป็นเป็นอะไรยิบยับแล้วก็เป็นเหมือนเหมือนมีอะไรเกิดดับเกิดดับนั่นแหละดีแล้ว ปฏิบัติไม่ผิดนะคะไม่ผิดไม่ผิดปฏิบัติถูกนะถึงเห็นแต่ว่าต้องระวังอันหนึง่งอย่าถล่มลงไปดูบ่นพอเห็นแล้วเราก็ปล่อยวาง <c oughs> เราไม่ใช่ปล่อยวางด้วยการหนีไปเนี้ยเราก็เห็นยิ้ยับอยู่โน่นเราอยู่นี่นี่ต้องอย่างนี้ <c oughs> ดูไกลๆอ่าดูไกลๆไม่ใช่อย่างนี้นะนี่นะหรกออกใช่ไหมค่ะ <c oughs> ส่วนมากจะชอบหัวก็มำเข้าไปออย่างนั้นผิดดูห่างๆ ดูห่างแล้วก็จะเห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วแล้วบางทีก็เห็นเป็นน้ํามันไหลไหลๆไปเห็นเป็นรูปเลยแบบเห็นเห็นเป็นรูปอะเป็นเป็นน้ำไหลๆให้รู้ทันเข้ามาที่จิตเรานะถ้าเห็นอะไรที่เป็นรูปเสียงกลิ่นโลดโผล่ผ้าอะไรขึ้นมานะให้กลับมาดูที่ใจถ้าเห็นเป็นน้ําไหลแล้วใจเกิดสงสัยว่าเอ๊จะทํายังไงดีเนี่ยรู้ว่ากําลังสงสัยเห็นเป็นน้ําไหลแล้วแหมสนุกไปเลย รู้ว่าสนุกกลับมาดูใจนะไม่ว่าเห็นอะไรกลับมาดูที่ใจไม่งั้นเดี๋ยวดูตามมันไปแล้วไปเห็นยอย่างอื่นอีกมันน่ากลัวกว่าน้ําไหลนะจะมีมือยืน่นมาจากน้ำจริงผมนั่งผมไม่ได้ภาวนาครับผมกําหนดลราให้ใจรู้สึกกเวลาให้ใจเข้าออกเฉยเฉยแล้วตอนนี้เราก็มาดูที่กายว่าเรากำลังนั่งอยู่ให้เรารู้สึกตัวอย่างเนี้ยจะถูกต้องไหมครับอ่าเปนเบื้องต้นทําอย่างนี้ก็ได้นะ แต่พอสติตัวจริงเกิดเนี่ยมันจะระลึกโดยที่ไม่ได้จงใจไม่ได้ตั้งใจจะดูมันลึกขึ้นมาได้เช่นเรากาลังเผ ล, อ, เลออยู่เราเห็นเพื่อนเราเดินมาเราขยับเท้านะขยับป๊บจะไปคุยกับเขาเนี่ยพอร่างกายไหวปุ๊บสติเกิดเลยอ๋อเมื่อกี้เผลอไปแล้ทีนี้ขณะที่เราเราดูกายของเราอยู่นเนี่ยนะทีว่าพอาติดคิดอะไรแล้วก็บอกนี่ส่งออกแล้วย่างนี้ได้ไหมครับว่าจิตส่งออกแล้วอตัวที่รู้ถันว่าจิตส่งออกเนี่ยใช้ได้ ตรงที่คิดเนี่ยเกินรู้ไปนิดหนึ่งแล้วออกครับเพราะต้องรู้รู้โดยธรรมชาติไม่ใช่รามธรรมดานะถ้ <ผม S 1> รราคิดไปเรายังไม่รู้พอรู้แล้วออกสมออกแล้วอแล้วก็นึรูกว่านี้สองออกแล้วเรียกว่าแ ล, วแล้วแค่นั้นนะอย่าไปดึงไว้นะอถ้าพอสองออกแล้วไม่ดีเอาคืนจะแน่นๆ่นครับของโยมยังบังคับนิดหนึ่งรู้ไหมจิตใจมันจะนิ่งๆอยู่นิดหนึ่งมันนิ่งเกินจริงอยู่นิดหนึ่งครับขณะเนี้ยขนาดจิตเนี้ย ขณะนี้น ะ, ะรู้สึกไว้ตอนนี้มันแข็งแข็งอยู่นิดนึงครับรู้สึก อ, อให้รู้นะครับเพราะเราไปบังคับมันทีนี้ขณะที่เราเกิดอะไรขึ้นมาในจิตเราเนี่ยเอ๊มันขุ่น ม, มัวแล้วก็มาดูที่จิตเราอ๋อตัวนี้กำลังโกรธรูไหมโกรธหรือเป็นกลางกลางเลยเนี่ยเราดูตรงนี้แล้วเราก็รู้ว่าอ๋อไอ้อนี่ผูถูกรู้ว่าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราคิดมไม่ ไ, ไม่ต้องไปคิดช่วยมันไม่ต้องไปคิดช่วยมันโยมเห็นสภาวะแล้วอย่าไปคิดช่วยมันนะให้สภาวะมันสอนธรรมะเราเราอย่าไปสอนมันครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นมันคิดๆขึ้นมาแล้วมันโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธไม่ต้องไปบรรยายไปหรอกนะแค่รู้ก็พอแล้วครับรู้เฉยๆรูอเฉ ย, ยๆนะถ้าบรรยายเดี๋ยวจะต่อด้วยการให้ค่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเดี๋ยวฟัให้ค่าแล้วก็จะบังคับเริ่มบังคับครับเหมือนมืนก็เราไปตามภาคว่อ๋อตัวนี้กำลังไม่ภาค้วภาคเสียเวลาครั บ, รบเพราะว่าขนาดจิตที่รู้กับขนาดจิตที่ภาคเนี่ยคนละขนาดกันลน่ะ ขณะที่ภาคเนี่ยตกจากการรู้ล้วตกจากวิปัสสนาละแต่ถ้าจิตจะภาคเองห้ามไม่ได้บางทีจิตมันก็ภาคเองใลาคนปฏิบัติแล้วจิตภาคขั้งวันห้ามไม่ได้นะดีภาวนาเก่ง อ, อสมควรแก่เวลาแล้วครับมีเอสมควรแล้วหลวงพ่อจะได้ไปสักทีนี่ใส่หลงพ่อน้ำํำอย่างที่เล่ากเมื่อกี้นะไปฟังทำฟังเสร็จแล้วไปเลยนะ ไม่อ้อยตร้อยอ้อยอิงเสียเวลาใครจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้นะงั้นรีบดูของเรา